วันอาทิตย์ที่16มิถุนายนพศ2539เป็นการบรรยายคำพี่มหาปรทธานตัวอาจารย์สุเทพโฟทิสัทธาท่านสาธุชนที่เคารพวันนี้จะอธิบายอารมณะปัจจัยโดยพิสดารสืบต่อจากคราวที่แล้ววันนี้มีเอกสารซึ่งทำ ให้เรียบร้อยกว่าเก่ามาแจกให้ใหม่นะครับเราจะใช้เอกสารชุดใหม่ซึ่งเป็นเรื่องเก่าเป็นคู่มือประกอบการบรรยายที่จะบรรยายสืบต่อไปนี้เป็นประเด็นภายใต้หัวข้อว่ากุศลธรรมเป็นอารัมมณพัจัยซึ่งได้กลับมาเมื่อคราวที่แล้วถึงกุศลธรรมเป็นปัดด้วยจิตที่เป็นกุศล กันใดชั้นหนึ่งทั้งที่เป็นกามาวจรกุศลรูปาวจรกุศลอรูปาวจรกุศลและแม้โลกุตละกุศลแล้วบุคคลเมื่อทํากุศลเหล่านั้นแล้วภายหลังจากที่ได้ทํากุศลนั้นแล้วได้นึกถึงกุศลธรรมนั้นอีกการที่ได้นึกถึงกุศลธรรมนั้นอีกนั้นชื่อว่ากุศลธรรมเก่าเป็นอารมณปัจจัยแก่กุศลธรรมใหม่ที่เกิดขึ้นอตรงนี้น่ะเป็น ความดีเก่าที่บุคคลเมื่อระลึกถึงด้วยจิตใหม่แล้วเกิดความดีใหม่ขึ้นความดีเก่าเป็นปัจจัยแก่ความดีใหม่ชื่อว่ากุศลรธรรมเป็นอา ร, รมณปัจจัยแก่กุศลธรรมซึ่งมีรายละเอียดอยู่ทั้งหมด10บประเด็นด้วยกันเราจะไปดูอีกประเด็นหนึ่งโดยลําดับถัดไปที่หัวข้อกล่าวว่ากุศลธรรมเป็นปัจจัยแก่กุศลธรรม ความหมายตรงนี้ก็คือบุคคลที่ทํากุศลแล้วเมื่อทํากุศลเสร็จแล้วเสร็จแล้วในระยะเวลาปัจจุบันทันด่วนอันรวดเร็วนั้นก็ตามหรือเสร็จแล้วนานแล้วนานแล้วจะนานในชาตินี้หรือแม้แต่นานในชาติก่อนคือได้ทํากุศลกรรมไว้ในชาติก่อนเมื่อระลึกถึงอีกภายหลังจิตที่เกิดขึ้น โดยระลึกถึงกุศลธรรมเหล่านั้นกลายเป็นอาคุศลธรรมตรงนี้แหละเรียกว่ากุศลธรรมเป็นปัจจัยแก่อาคุศลธรรมซึ่งตรงนี้นั้นท่านกำหนดขอบเขตเอาไว้ว่ากุศลธรรมที่เป็นปัจจัยแก่อาุศลธรรมโดยความเป็นอารมณปัจจัยได้นั้นหมายเอาเฉพาะโลกิยกุศลโลกิยกุศลนั้นเวน้นมัค ก, กุศลสี่ มรรคกุศลสนะั้นเป็นโลกุตตรกุศลโลกุตตรกุศลบุคคลเมื่อทำแล้วบุคคลนั้นเมื่อนึกถึงโลกุตตรกุศลคือมรรคกุศลได้แก่โสดาปฏิมาสกาตกรรมมรรคอนาคารมมรรคหรืออาราตมรรคอีกครั้งหนึ่งจะไม่อาจนึกถึงกุศลเหล่านั้นด้วยจิตที่เป็นอกุศลได้เพราะว่า โลกุตระกุสนั้นเป็นอกุศลที่พ้นโลกการที่เรียกว่าโลกุตระกุสนล้วก็เรียกเรว่อำนาาของความหมายตรงนี้ประการหนึ่งคือกุสลใดที่บุคคลทำแล้วไม่อาจจะระลึกถึงอีกได้ด้วยจิตเป็นอกุสลกุสนนั้นจึงเรียกว่าโลกุตรกุสนคือกุสลที่พ้นโลกพล้นไปจากโลภะธรรมนั่นเอง ส่นกุศลอื่นตั้งแต่กุศลชั้นต่ําสุดจนกระทั่งถึงกุศลคือฌานสูงสุดได้แก่เนวสัญญาณนะสัญญายาตนาฌานออกุศลเหล่านี้ระหว่างนี้ใครทําแล้วนึกถึงภายหลังด้วยอากุศลได้ทีนี้อากุศลที่มาเป็นตัวนึกถึงกุศลที่เป็นโลกิยะกระทําแล้วภายหลังนั้นอากุศลจะมีความ หยาบความละเอียดแตกต่างกันไปตามระดับของกุศลธรรมที่ทาแล้วซึ่งตรงนี้ก็อธิบายว่าเช่นบุคคลเมื่อได้อารูปฌานกุศลแล้วเนี่ยระลึกถึงอรูปฌานนั้นอีกจะระลึกถึงด้วยความที่เป็นโลภะอย่างหยาบไม่ได้จะระลึกถึง ด้วยจิตที่เป็นโมหะอย่างหยาบไม่ได้จะระลึกถึงด้วยจิตที่เป็นโทมนัตอันนี้ไม่ได้เลยเว้นแต่ ว, ว่าฌานนั้นแตกไปแล้วคือคนที่ได้ฌานแล้วฌานแตกอาจจะระลึกถึงฌานนั้นด้วยความเสียใจเสียใจว่าฌานที่เราเคยได้แตกไปเสียแล้วเกิดความโทมนัต ร้องไอ้ร้องหคมร้องไห้นะมคงไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่ามันยิ่งก็ร้องร้องไห้ได้คือถึงขนาดฆ่าตัวตายยังได้สำหรับคนที่มีเวรมีกรรมอย่างเช่นพระโคติกะเสระที่เคยได้ฌานทั้งรูปฌานรูปฌานต่อมาภายหลังฌานนั้นแตกด้วยโรคประจาตัวท่านก็เกิดความเสียใจเสียใจก็คิดมาก ครั้งเมื่อครั้งที่เจ็ดท่านทาฌานได้อีกก็ปราลบแก่ตัวเองว่าเราควรจะทํากาละเมื่อฌานยังไม่แตกจะไปพรมโลกได้ท่านจึงฆ่าตัวตายเสีย ก, ก่อนที่ชานจะแตกแต่ว่าคนที่ได้ฌานแล้วฆ่าตัวตายเนี่ยอาการฆ่าตัวตายนะ่อาจทำให้ฌ า, า, า, า, า, า, า, า, านแตกก็ได้ถ้าหากว่าระวังไม่ดีในระวางนั้นก็อาจจะไม่ฌานแตกก็ได้ถ้าระวังดี แล้วก็บางคนก็อาจจะได้เลื่อนคุณธรรมสูงขึ้นไปก็ได้อย่างพระโคติกาเนี่ยท่านมานติการดีระวังดีก็เลยทำให้ท่านได้เป็นพระอรหันต์เป็นของที่ท่านคาดไม่ถึงเลยเมื่อขาดใจมรณภาพแล้วไม่ต้องไปแม่ปรมโลกเลยไปถึงพระนิพพานเลยนั่นก็เป็นกรณีหนึ่งที่นี้มาพูดกันให้ชัดว่า กิเลสแต่ละตัวแต่ละตัวที่เกิดขึ้นกับกุศลชั้นต่าเนี่ยเราจะเห็นว่าหยาบกุศลชั้นต่าเนี่ยความจริงที่มันต่ำก็เพราะว่าไอ้กิเลส ท, ที่เป็นตัวใช้ให้ทำกิเลส ท, ที่เป็นตัวใช้ให้ทำนั้นเป็นกิเลสชั้นต่ำอยู่แล้วเช่น ว, ว่าคนที่เป็นคนเล่นหวยแทงหวยแล้วก็คิดว่าการที่จะถูกหวยได้ควรจะทำสังฆทาน นะฮะใจะไปแนะนาําลาคิดเราเอางไงก็ตามก็ไปทําสังฆทานเพื่อจะถูกหวยสังฆทานอย่างนี้เป็นสังฆทานชั้นสูงไหมครับเป็นสังฆทานชั้นต่ําแน่เราสังฆทานในบันของสูงกว่าทานธรรมดาแต่บุคคลทําสังฆทานเองก็ยังมีสูงมีต่ําก็แล้วแต่ว่าจะทําเพื่ออะไร ก, การทําอย่างนี้ก็เป็นชั้นต่ําเพราะกิเลสเป็นตัวใช้ให้ทํา ตอนนี้เมื่อทำแล้วเขามาปรารบที่หลังโอกาสที่จะเกิดคีเลศหยาบนนง่ายมากเสี่ยงมากทีเดียวแต่ถ้าสมมุติว่าคนทำสังฆทานนั้นเกิดทำแล้วไม่ถูกหวยสักทีหรือที่เมื่อก่อนไม่ทำก็ถูกบ้างไม่ถูกบ้างแต่นี่พอทำง่อนนั้นไม่ถูกเลยคิดว่ากุศละเจตนาก็าควรจะเกิดต่อสังฆทานนั้น อย่างมั่นคงไหมแม่ชื่นใจเหลือเกินทาตังคตาลแล้วไม่ถูกหวยเขาคงไม่ไม่ไม่ไมไมนึกเกิดกุศลจิตขึ้นด้วยข้อปาราลบอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าบุพเาเจตนาที่เขาทาเนี่ยเกิดขึ้นจากกิเลสหยาบเพราะฉะนั้นถ้าเขาทําแล้วเขาไม่ถูกหวยอย่างที่เขาปรารถนาถ้าทําครั้งหนึ่งก็ไม่ถูกครั้งสองไม่ถูกครั้งสามไม่ถูกในที่สุด นอกจากจะเลิกเลิกนับถือสังฆทานแล้วก็อาจจะเลิกนับถือคนที่ยุให้ทำสังฆทานด้วยเลยกลายเป็นไม่ทาบุญทากุศลเลยอันนี้แหละเป็นข้อที่เรียกว่าคนที่ทำบุญด้วยเจตนาที่เป็นอาคุศลยิยมมีภาวะเสี่ยงเสี่ยงคือเสี่ยงกับการที่จะเกิดกุศลธรรมเพราะกุศลธรรมเก่า นั่นอีกฝ่ายหลังได้ง่ายมากนะนี่พูดถึงว่าในหลักอในหลักใหญ่ๆทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราเองเนี่ยเรารู้หลักอยู่นี่ผมพูดกันไว้เผื่อ บ, บางคนว่าเดี๋ยวจะว่าไม่ให้ทําเพื่ออะไรเลยนะคือถ้าสมมติเรารู้หลักทั้งหมดอย่างเอาเป็นว่าอย่างกรณีท่านอย่างกรณีผมเนี่ยถามว่าเรายังใช้บุญ ทำบุญเพื่ออะไรบางอย่างอยู่บ้างหรือไม่และผิดหรือไม่ผมยกตัวอย่างเช่นว่าเราเกิดอยากจะขายที่ได้แล้วทำบุญเพื่อให้ขายที่ได้อย่างที่ผมกำลังแนะนัดแนะ่อยู่เวลานี้มีลูกค้าอยู่สี่คนนะผมจะช่วยเป็นในหน้าขายที่นะนัดจะคุยเมื่อวานไปเกอ้อหมดจะได้คุยว่าจะทำยังไงนะฮะแล้วก็อันหนึ่งก็คือเป็นบทบาทของฐาน แต่นี้ผมไม่เล่าตรงนี้เล่าแล้วเดี๋ยวยังวิชาผมไม่หมดอ่ผมถ้าถามว่าทําอย่างนี้ผิดไหมผิดโดยสิ้นเชิงไม่หยาบโดยที่ถ้าเป็นกรณีของคนที่เขารู้ไอ้ระบบทั้งหมดเนี่ยและเขารู้ว่าเขาจะใช้บุญในเมื่ อ, อไหรเพื่ออะไรเพราะเหตุผลอะไรโอกาสที่คนทําในลักษณะรู้ระบบทั้งหมด เชื่อกรรมชัดๆทั้งหมดอย่างนี้ทำแล้วที่จะหวั่นไหวเพราะกุศลนั้นไม่ให้ผลทันใจเนี่ ย, เ ป, ไปไยเป็นไปได้ยากเป็นไปได้ยากรออะไรเพราะเราเข้าใจเหตุผลที่เป็นตัวแปลตัวอื่นที่จะมาทำให้บุญนั้นให้ผลหรือไม่ยังไงนะแล้วก็เวลาทาเนี่ยจะไม่ทำด้วยความมั่นหมายด้วยกิเลสสูงเหมือนอย่างคนที่ เขาไม่ใส่ใจระบบะกระแสของเหตุปัจจัยหลายด้านเงินไขของคนทำอะไรต่างๆอย่างนี้เพราะนั้นการทาในลักษณะอย่างนี้น่ะ ก, ก็อย่าว่าแต่เราซึ่งเป็นบุตุชนแม้แต่คนที่เป็นพระอริยะเข้าใจท่านก็ทำตามสมควรแก่กรณีที่ท่านจะใช้เพื่อความสำเร็จอะไรๆซึ่งท่านในแง่นี้เราก็พูดว่าคนที่มุ่งหวังความสำเร็จในโลกเนี่ยแล้วใช้บุญช่วย ดีกว่าใช้ความพยายามทางบาปจริงไม่จริงมูรอคนนึ่งเขาใส่บาปเพราะหวยไม่จะออกวันนี้ดีกว่าเขาไม่ทําหรือไปทำอย่างอื่นใช่ไหมใช่ที่มันเป็นเรื่องบาปตรงนี้เราก็ต้องว่าดีกว่าในกรณีเทียบระดับต่ําต่อระดับต่ําเพื่อบุคคลมีเจตนาในลักษณะต่ําผมต้องย้ําอีกครั้งหนึ่ว่าบุญกุศลต่ําเนี่ย ไม่ใช่ว่าคนสูงไม่ทํานะแต่จะทําในลักษณะบุญกุศลต่ําที่สูงกว่าพวกต่ําด้วยกันตําด้วยเหตุผลที่เหมาะสมที่จะควรทําในฐานะอย่างนั้นก็เหมือนอย่างว่าทานสีนภาวนาบุญกิยาวัตถุสิบเนี่ยทานเป็นของต่ําใช่ไม่ใช่ถามว่าพระอรหันต์ทำไหมทําศีลเป็นของต่ํากว่าภาวนาพระอรหันต์ก็ทําทําอย่างเห็นความสําคัญด้วย แล้วก็ทําอย่างคํานึงถึงไม่ใช่อเหตุผลด้านสูงนั่นเดียวคือต้องเราสรุปว่าคนที่เขาขึ้นไปสูงเนี่ยก็จะอุ้มต่ําด้วยนะอุ้มต่ําด้วยอ่าดูแลเรื่องต่ําแล้วก็ใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมอย่างเช่นปลาอาหารรักษาสีเพราะปลาลบว่าคนที่เขาไม่เลื่อมสายจะได้เลื่อมสายเขาเลื่อมสายอยู่แล้วจะได้เลื่อมสายยิ่งขึ้นปลาอาหารคิดอย่างนี้ไหมคิดคิด เลื่อมใสนี่เป็นกุศลจิตแต่คิดอย่างนี้นะ่ะมันบริสุทธิ์ไอ้คิดอย่างนี้อย่างที่บริสุทธิ์น้อยก็ได้เราความเลื่อมใสไปทําไมเวอรอคื อ, อให้คนอื่นเลื่อมใสตัวด้วยความคิดว่าความเลื่อมใสของเขาที่อาศัยตัวเป็นที่ตั้งเป็นประโยชน์แก่เขาความเลื่อมใสเป็นกุศลจิตแล้วก็ไม่ได้คิดต่อไปในทางตา่ำมาเขาเลื่อมใสแล้วก็จะได้ ต, ตักตวผมว่าโยดจากความเริ่มใสนั้นเหมือนอย่างปุตชชนคิดแต่คิดว่าเมื่อเขาเริ่อมใสแล้วก็จะได้มีโอกาสเลื่อนระดับธรรมะให้สูงขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปด้วยความเริ่อมใสที่ได้นั้นหรืออย่างน้อยก็เมื่อเริ่มใสแล้วก็เอียโสสะดับอันอันนี้ก็เป็นเรื่องความคิดที่มไปขรุขนะที่ดู้จุดตรงนั้นแล้วมันเหมือนจะ คนเข้าใจว่าต่ำก็คิดว่าจะต้องเป็นเรื่องไม่ถูกต้องไปเสียทั้งสิ้นหรือถ้าคิดในทางสูงแล้วก็จะนึกจจว่าจะต้องถูกต้องไปทั้งสิ้นมันก็เป็นไปได้ทั้งสองด้านจึง อ, อยากจะยกกรณีสักกรณีหนึ่งว่าคนที่ทำบุญแล้วแล้วก็เกิดความกำหนัดคือราคะนึกถึงบุญนั้นแล้วก็เกิดราคะในบุญนั้น จึงมีหลายการณีย้อนกลับมาตรงนี้นะะราคาเนี่ยเป็นชื่อของความโลภเราทําบุญแล้วเกิดความพอใจในบุญเนี่ยอย่าไปนึกว่าเป็นบุญที่หลังซ้ําเข้าไปเสมอนะอถ้าเกิดศรัทธานี่ถ้าเราเรียนธรรมาเราพิเคราะห์ได้ว่ า, ควา้ความรู้สึกอันใดเป็นบุญความรู้สึกอันใดไม่ใช่บุญไอ้ที่ไม่ใช่บุญก็คือราคาคือความติดความยึดทีนี้ไอ้ความติดความยึดเนี่ย มันมีหยาบมีละเอียดต่างกันอย่างที่ว่าถ้าสมมุติว่าคนติดว่าเราได้ทําบุญไปแล้วเราจะไปสวรรค์ได้ได้แน่มีโอกาสไปสวรรค์จะได้ไปเสวยผลของบุญนั้นในภพบเบื้องหน้าแน่ถามว่าตรงนี้เป็นลาคาก็ได้เป็นกุศลก็ได้นะไอ้กุศลก็หมายว่าเราคิดในะอย่างกรรมสกตาปัญญาอ๋อ เมื่อไปบนนู่นแล้วผลสุดอยู่ไปอยู่มามันก็เบื่อมันก็ไม่มีอะไรเราก็เคยผ่านมาแล้วถ้าคิดอย่างนี้ก็อย่างที่บางคนก็อาจจะเคยคิดแล้วนะฮะทําบุญแล้วครับก็ต้องไปสวยวิยบากสวยบากแล้วก็เป็นอย่างนี้ผยสุดก็มันก็ไม่มีอะไรเคยคิดไหมเคยรู้สึกไหมบางคนคงเจยเคยรู้สึกแล้วก็พวกเอวินยูชนหรือพวกบัณฑิต ชั้นสูงเนี่ยนะที่มีสัมมาทิฏฐิสูงถึงขนาดนี้ก็จะมักจะรู้สึกอย่างนี้เห็นไม่มีสาระเหมือนกับเห็นความร่ำรวยในปัจจุบันตัวเองมันไม่มีสาระมันก็แค่กินอิ่มไปวันวันแค่นั้นเองไม่มีอะไรคล้ายๆกันอย่างนี้ทีนี้ถ้าคิดในลักษณะความกำหนัดรื่นเรองใจรื่นรมเหมือนคนที่ อามุ่งแสวงหาความร่ำรวยแล้วก็นึกถึงผลในลักษณะการเสรการบริโภคถ้าอย่างนี้เป็นราคะเป็นความกำหนัดอันเนื่องมาจากบุญนั้นใครระลึกถึงบุญแล้วก็เกิดความกำหนัดดีๆอย่างนี้จะเป็นราคะแต่ถามว่าราคานี้หยาบหรือละเอียดละเอียดเพราะคิดอย่างนี้แล้วคนอื่นไม่เดือดร้อนเลยใช่ไหมไม่ทําให้ใครเดือดร้อนเลย เป็นแต่ว่าจะทำบุญยิ่งขึ้นแต่บุญนั้นถูกราคะระดับนี้เข้าไปปันธนาการก็ความยินดีในพบยินดีในอัตภาพด้วยอำนาจของกามมราคะเป็นตัวควบคุมบุญนั้นก็จะถูกจำกัดอยู่ในส่วนนั้นไม่ถึงฐานะของความเป็นเป็นเครื่องอนุเคราะห์ประมาจันที่สูงขึ้น ทีนี้ถ้าคนไอทําบุญรอชาติหน้าเนี่ยรู้สึกว่ามันมันรอไหวใช่ไหมถ้าคนคิดจะรอเชื่อจะรออยู่แล้วเนี่ยนะมันก็ใจเยน็นแต่ถ้าสมมติว่าคนที่ทําบุญแล้วคิดหวังผลในชาตินี้ก็ถือว่าหยาบ ก, กว่าใช่ไหมหยาบ ก, กว่าบุญเมื่อตะกี้นี้และถ้าคนที่ทําบุญหวังผลในชาตินี้ด้วยความสําคัญหมายในคันลองของบุญที่จะให้ผล ไปอย่างไรอย่างไรอย่างเราเราเนี่ยนะเราก็เจือแต่เราก็ไม่ได้เร่งถึงเราจะจะนึกใช้บุญให้เป็นบาทเป็นพาหาบ้างแต่เราไม่ได้เร่งและถึงเมื่อถึงเวลาที่มันควรจะได้แล้วมันได้ไมเต็มที่หรือมันยังไม่ได้เราก็ไม่เล่าร้อนเราก็ไม่เสียใจเรายังมั่นคงยังชัดเจนอยู่กลับจะมามองว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ได้นะทําไมได้แล้วมันต้งกลายเป็นทุกขลาบหน้าอะไร ก็มองหาเหตุเห็นเหตุเห็ น, ห น, ห น, หนปัจจัยกลายเป็นของสนุกในการบริหารกุศลธรรมของเราไปที่อีกทีนี้ถ้าต่ําลงมาในกรณีเมื่อตะกี้นี้ว่าทําบุญเพื่อผลอย่างอื่นที่มันใกล้เข้ามานะมันก็จะหยาบลงมาเช่นว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ที่ให้แล้วผูกมิดไว้ได้ผู้ที่ให้แล้วเอาชนะไปได้นี่ให้ตั้งเยอะแล้วไม่เห็นเอาชนะได้ กลายเป็นทำให้เขาเป็นคนเสียคนคือแบมือแต่จะรับตะพืชไปอย่างนี้อาจจะหวั่นไหวได้ใช่ไหมฮะนี่พูดถึงว่าคนที่เขามีความคิดความเข้าใจแคคกันนี้ความโอกาสที่ความหวั่นไหวจะเกิดนั้นมีได้มากผมยังอยากจะยืนยันเหมือนอย่างที่บางคนได้เคยปลาโล ก, กว่าผมมาแล้วว่าบางทีเนี่ยทำบุญแล้วบุญมันไม่ให้ผลนอกจากไม่ให้ผลแล้วอคุณสมบับาปบางอย่างเกิด จนเกือบจะเลิกทําบุญไปแล้วหมดกําลังใจถ้าเราไม่ไปพูดสกิทส์ ก, กาวเขาไม่กล้าพล่งออกมาอย่างนี้แต่ที่เขากล้าพลงเนี่ยเพราะาเราไปพูดนําทางไนงะความในใจก็ตอตงออกมาว่าเขาเกือบจะหมดกําลังใจแล้วที่จะทําความดีต่อไปที่จะทําบุญต่อไปทําแล้วทําไมมันถึง ชีวิตปัญหากลุ่มั้งเป็นอย่างนี้ในี่ยพูดๆแล้วนั่งๆอยู่เนี่ยอาจจะมีคนแอบแบคิดอยู่บ้างก็ได้หรือเคยคิดมาบ้างก็ได้แต่ที่ผมว่ามาเนี่ยมีคนพูดอย่างนี้กับผมแล้วจริงๆซึ่งเราเองเป็นคนคิดว่าเราเข้าใจเรื่องนี้ดีกว่าเขาเราก็ต้องโดดเข้าไปรับผิดชอบโดดเข้าไปแสดงความเข้าใจและเห็นใจเขาแล้วก็ช่วยให้เขาบริหารสิ่งเหล่านี้ให้มัน มันเป็นไปตามความประสงค์ความอะไรเราต้องการเนี่ยมันไม่ผิดหรอกในแง่ของความมุ่งหมายแต่ว่าไอ้ที่มันจะผิดก็คือว่าเราต้องการอย่างไม่แยบยนอย่างไม่ผ่อนหนักผ่อนเบาจะพลาดก็ตรงนี้ถ้ากว่าเขาเกิดทิ้งไปเลยเนี่ยบางคนก็เลยทิ้งวัดไปเข้ า, าศาสนาอื่นเลยมีเป็นตัวอย่างมาแล้วแล้วบางคนก็กลับมาบางคนก็ไม่กลับมา ไอ้เพราะเหตุการณ์อย่างนี้ควันนี้ไม่ได้มาคนที่เกิดเหตุการณ์ทิ้งาศาสนาพุทธไปเข้ า, าศาสนาอื่นเ้าอย่างชนิดที่เป็นตัวตั้งตัวตีในทางเผยแพร่กล้เลยตัวอื่นเขาก็บุญดีพอที่ยังได้กลับมาแล้วก็กลับมาอย่างใหม่เอี่ยมไม่เอียเอ่ยมจริงๆอ่าแต่ก็ที่เลิก เาวัดเข้าว่าทํ า, าทบุญทำกุศลไปเพราะอย่างนี้มีจริงๆทีนี้ไอ้ตรงเนี้พอถ้าเราเข้าใจหลักตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็มองเห็นอะไรต่ออะไรอีกหลายอย่างน ะ, ะแล้วก็มันก็มาสอดคลองในในปัจฐานที่พูดถึงตรงนี้ไม่ได้พูดในเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ว่าไอ้ข้อเท็จจริงอย่างนี้มันเพราะอะไรควรจะแก้ไขอย่างไงพูดบอกว่ามันปรากฏการอย่างนี้เป็นจริงอย่างนี้ แล้วก็ยังยืนยันว่าจิตเก่าเป็นกุศลจิตใหม่เป็นอกุศลและยืนยันว่าไม่ถูกต้องในแง่ของความเป็นอกุศลตอนหลังกิเลสทุกตัวนะแจงได้ทาว่ากันโดยพิสดารเนี่ยนะพูดกันแบบไม่กำนึงถึงว่าจะจบเมื่อไหร่เนี่ยแยกออกมาเป็นข้อๆส่วนๆตัวๆทั้งในทางแก้ไขเ ย, ยียวยาไม่รู้จบ ง, ง่ายๆแล้วก็ทิศถีข้งกั น, กนความเห็น คนที่ทําบุญแล้วนึกถึงบุญนั้นอีกเกิดความเห็นผิดเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เกิดความเห็นถูกเป็นไม่ได้ไหมในทางกุศลซึ่งไปอยู่ข้อกุศลเป็นไปใจเกียรกุศลนี่นะเป็นไปได้เป็นไปได้ไไดออย่างไรเนี่ยเราพูดถึงการเปรียบเทียบให้เห็นเลยระหว่างคนที่ทําความดีแล้วล ะ, ละลึกถึงความดีเกิดมิจฉาทิฏฐิก็เกิดสัมมาทิฏฐิ ถ้ายกตัวอย่างในทางดีแล้วก่อนเนี่ยพวกเรายืนยันต่อตัวเองได้มากเพราะว่าแล้วเราก็เคยพยายามบอกใครตะใครที่เขาไม่ชัดเจนเหมือนเราว่าบุญกุศลที่เราทำสะสมทับถมทับถมแบบไม่ไม่คำนึงว่ามันจะให้ผลเมื่อไหร่แบบชัดเจนเนี่ยในที่สุดเราจะเห็นอำนาจของบุญ ทีละอย่างทีละส่วนทีละนิตเตียหน่อยใช็คจูไม่ถูกโ อ, โ, อโอ้มันมีผลเราจะแทงเรียกว่าเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมพลังของบุญที่ทำเนี่ยชัดเจนขึ้นทุกวันทุกวันใช่ไหมใช่ผมคิดว่าที่ผมพูดเนี่ยแทนทุกคนสั้นที่นั่งอยู่ที่นี่ยิ่งนานวันยิ่งรู้สึกว่าชัดเจนเลย ซึ่งไอ้ข้อชัดเจนเหล่านี้ความจริงมันก็มันก็เป็นทั้งมันอยู่แล้วนะฮะทั้งบุญทั้งบาปแต่เพราะว่าเราไม่ได้ศึกษาเมื่อไม่ได้ศึกษาก็ไม่ได้มรสิการเมื่อไม่ ไ, มได้มรสิการก็ไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจก็ไม่ไม่เกิดการกระทําอย่างจงใจอย่างตั้งใจอย่างเข้าใจสําหรับใครที่ถึงจุดถึงว่าได้กระทําอย่างเข้าใจและทําอย่างต่อเนื่องเนี่มันเห็นเลย นเห็นทางหนีทีไรแล้วก็สามารถที่จะเอาบุญมาใช้ให้เกิดผลได้อย่างใจด้วยความเข้าใจด้วยวิธีการที่เป็นองค์ประกอบเป็นปัจจัยสนับสนุนสาคัญที่จะทำให้บุญนั้นให้ผลแล้วมีพลังได้จินี่กับตัวเองและแม้กับคนอื่นก็มองตรงนี้ก็เข้าใจทีนี้ถ้าทำแล้วเกิดมิจฉาทิฏฐิก็อย่างที่ว่า ถ้าทำความดีแล้วมันไม่ได้รับผลดีเกิดมิจฉาทิฏฐิได้ง่ายใช่ไหมโอ้ทำแล้วระหลอกไม่ทำบุญทำแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นคนโง่เป็นเหยื่อของคนฉลาดเลยเกิดมิจฉาทิฏฐิเพราะการทำบุญก็อย่างที่ว่าบางคน มีพ่อมีแม่มีญาติชอบทำบุญชอบทำกุศลเสร็จแล้วก็ไปตายเพราะไปทำบุญละคนที่เป็นลูกเป็นหลานที่ไม่ได้มีแก่ใจในเรื่องทำบุญแล้วไปเห็นญาติพี่น้องพ่อแม่ตัวเองไปทำบุญหรือไปทอดกฐินทอดว ป, ปาหรือไปช่วยคนอื่นแล้วก็ต้องไปประสบกับภายนะเพราะช่วยคนอื่นเลยเห็นชอบเป็นผิดเลยเกิดมีจฉาทิฏฐิ เนตัวอย่างของบุญโดยประการต่างๆเนี่ยมันมีเยอะ ท, ที่ทำให้คนเกิดมใจฉาทิฏฐิและแม่กระทั่งเกิดกับเจ้าตัวเองช่วยคนก็มาเยอะช่วยไปช่วยมามันก็หักหลังเอามันก็ยังง้อย่างเงี้ยเอเลยกลายเป็นเป็นคนใจจืดใจดำเลยผมก็เคยเห็นมาแล้วถึงไม่มากนักแต่ก็มีอย่างน้อยก็สองสคนที่เป็นเอาอยางรุนแรงเนี่ยนะกลายเป็นคนไม่เอาใครเลย ใจดำขึ้นมาทันทีทั้งที่เมื่อก่อนนี่เป็นคนโอบเพื่ออารีอันนี้นะก็คือเขาจะฝังใจเลยว่าทุกคนต้องช่วยตัวเองเราไม่ช่วยใครช่วยแล้วมันไม่เกิดผลดีอะไรกับเราเกิดผลชั่วทั้งกับตัวเราเองทั้งกับคนอื่นผมยังจําชื่อนามสกุล ค, คนนี้ได้ติดตานี่แกเป็นเนามากๆเพราะชีวิตแกนี่เมื่อก่อนก็เป็นคนโอบเพื่ออารีอย่างมากๆแล้วแกก็โดนหักหลังมาแท้ ไม่มีหลังจะหักแล้วมันเจ็บแสบเหลือเกินงั้นอย่าได้ไปขอความช่วยเหลือจะแกไปรังขาดคนเนี้ยแกจะด่าวด้วยไม่ใช่เทศนะด่าวด้วยและจะไม่ช่วยเลยแกฝังใจมาจากหลายๆคนคนที่ไม่น่าจะหักหลังแกก็หักหลังแกมันก็นาเห็นใจนะแกก็เลย ถ้าใครเราป่วนเปลี่ยนมาทั้งเรื่องอย่างนี้หรือไม่มีเหตุการณ์อะไรมากระทบแ ก, กจะต้องพูดถึงเรื่องนี้ส่วนคนที่คิดจะไปขอพึ่งพาเนี่ยหุบ ป, ปากเงียบไปตามๆกันเปลี่ยนใจไปหมดนี่พูดถึงว่าวิจิกิจาวิจิกิจคือความลังเลความไม่แน่ใจไอ้ไม่แน่ใจเนี่ยส่วนมากเกิดกันจะทิฏฐินั่แปลว่าปักใจลงไปเลยนะถ้าลังเล ไอ้อย่างเราเนี่ยเรายังมีวิจิตรฉากรีเลตอยู่เรายังมีความลังเลอยู่บ้างใช่ไม่ใช่มีความลังเลลังเลเนี่ยเอ่อจะเป็นเรื่องทานเรื่องภาวนาเรื่องอะไรทั้งหลายเนี่ยทําไปแล้วก็ลังเลว่าเอมันจะดีจริงหรือเปล่าเชื่อไปแล้วก็ลังเลว่าเอจะดีจริงหรือเปล่าอุดทัตจารคือความคิดฟุ้งซ่าน ในบุญที่ได้ทำตรงนี้ค่อนข้างจะ เ, เหมือนจะเห็นยากแต่ก็ไม่ยากทีเดียวคือเมื่อเราเรานึกถึงบุญกุศลบบรรยากาศที่เราเห็นได้ง่ายสำหรับคนบางกลุ่มก็คือคนที่จเจริญจิตภาวนามันจะมีอาการอย่างนี้อยู่ค่อนข้างเป็นระยะระยะ จากอยากไปหาละเอียดเวลาที่เราทําจิตภาวนาจิตเป็นกุศลอยู่แล้วก็ระลึกถึงคือเวลาทําภาวนาเนี่ยเราก็ดูจิตของเราทีนี้ไอ้เวลาที่เราดูจิตดูสติไอ้ตอนจิตถูกดูนั่นเป็นกุศลแต่จิตที่เข้าไปดูกลายเป็นจิตฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านไปด้วยความคิด อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ว่าในภาวนาเนี่ยจะเป็นครบฟุ้งซ่านละเอียดนะฮะนี่ถ้าเป็นกรณีอย่างของคนที่เห็นคืออยากจะพูดเอาเป็นอารวมรวมมอแล้วกันว่าเอาที่ชัดกรณีชัดเจนนะคือคนที่ถูกเขาตําหนิว่าเข้าวัดมากก็ฟุ้งมากผมใช้คาว่าเข้าวัดแทนทุกสิ่งทุกอย่างนะแล้วก็ที่เป็นไปอย่างร้ายแรงเลยก็คือ อันตรายเป็นคนจิตเกิดอาการทางจิตประสาทผิดปกติเพราะไอ้เรื่องความนิยมในกุศลธรรมเนี่ยเ อ, อตรงนี้พูดแล้วมันมันอันตรายเหมือนกันถ้าพูดยโยุไป ไ, ไม่ดีแล้วก็เกิดอกุศลแจิตเข็นไปเลยนะครับแต่นี้เป็นการพูดถึงข้อเท็จจริงการศึกษาธรรมะการปฏิบัติธรรมะต้องกรเชิญหน้าข้อเท็จจริงเพราะว่าไอ้ข้อเท็จจริงเราเนี่ยเรา อยู่ในภาวะของการต่อสู้กันระหว่างบุญกับบาปทําบุญบาปก็เข้ามาทำบาปบุญก็เก้าไปกเกิดนิวรก็ต้องกำหนดรู้นิวรมันก็ต้องออกมาเป็นธรรมดาของมันเป็นธรรมดาอันหนึ่งและที่อยากแก็บเวลาลบให้ฟังเนี่ยเรื่องนี้ก็มีข้อมูลเข้ามาเรื่อยๆบางทีเรานั่งอยู่เฉยๆก็มีจดหมายแนะนาตัว ว่าอยู่วัดนี้ผมก็จำชื่อวันได้ฟังคนก็ได้เคยเชินมาว่าท่า น, นาเป็นใครบรลรลุโพธิญาณตั้งแต่เมื่อไหร่บวชกี่พรรษาและโพธิญาณที่ว่านะี่คือเป็นพระสีรยรลยเมตรอ <c ười> นี่เขาเรียกคนมาบ้าประเภทหนึ่งนะมาบ้าเกี่ยวกับเรื่องศรัทธาอะไรทางนี้แล้วบางราย ก็เจอเก่าๆมาแล้วก็มีควันมาธาตุเคยเล่าให้ฟังแล้แขวนป้ายเต็มหน้า อ, อกอย่างนี้สีอ่านองค์จริงอยู่ที่นี่ป้ายบัลลัมเนี่ยเดินตะเวนอยู่แถวควันมาธาตุสมัยก่อนเนี่ยล้านอาโศกสมัยก่อนเขาไม่มีอาคารร้านที่แน่นขนาดนี้หรอกมีที่อภิปรายธรรมะกับคนที่เจ้าธรรมะ ก, ก็ไปแล้วก็มีประเภทนี้ แล้วก็บางอีกองค์นึ่งเนี่ยมาจากเกาหลีที่ให้ดูที่หนาา้าผากมีใยมันเป็นใยใกล้ๆข า, ขาวๆนะอยู่ที่หนาา้าผากก็มาก็มาพยายามจะหาเวทีประกาศตัวหาคนนับถือาภาษีอาญาแล้วก็ยืนยนนันหนึ่งข้อพิสูจนหนึ่งผู้ที่เป็นภาษีอานต้องมีปานติด้มีใยติดตรงนี้ถึงจะเป็นภาษีอาญา จำไม่เลยแล้วก็มีเข้าคนเดียวแหละปลายใจเกาหลีครับ เ, เมื่อวรังการไปทีอยูปุตเขามีพวกมาเล่าให้ฟังแหละมีพระสมีอยู่สองนี่แล้ว่านี่ลายนี้เป็นสุภาพสตรีเป็นพระาษีอ่านทั้งคู่เป็นทั้งภาษีอ่านเป็นทั้งเจ้าแม่คนดีมาุ้เป็นหมดแหละอยู่ในคนคนเดียวคนหนึ่งรวยรวยมากแล้วพิมพ์หนังสือประกาศ คุณภาพตัวเองหนังสือพิมพ์ดีๆซะด้วยผมยังไม่เคยได้รับแจกอีอเหรอออย่างนั้นเลยอ๋ัก็รู้จักนะแล้วเริ่มใสไหมล่ะอีคนนึงก็ยากจนหน่อยนะฮะก็ไม่สามารถจะมีหนังสือแจกได้แต่ทั้งคู่เป็นภาษีอา่านและเป็นอย่างอื่นปนกันอยู่ในตัวเองตรงนี้แหละถ้าคนไม่ใช่เรานะไปเจอเข้าเราคง นึกว่าไอ้คนเข้าวัดมีตแต่บาปแึ่ก็มีบางคนนะแม่เขาก็ประหลาดนะเขาก็มาปลาโลกับผมมาเขาก็ชอบช่วยเหลือคนแล้วเขาก็ชอบเข้าวัดเนะี่ยก็ไปเจอไอ้คนที่งานการไม่เคยมีไม่ไม่มีงานทําอะไรเงี้ยแล้วก็ก็ก็ดีที่เขามาเข้าวัดแล้วก็พอมาเข้าวัดเนี่ยเลยทําให้ได้งานเขาก็ไปเที่ยวฝางงงกว่า ง, ง, า, ง, งานไร mm hmm. ฮะเขารู้ยเขามีญาติพี่น้องเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรกันอหลายที่ เสร็จ แ, แล้วพอไปฝากเสร็จ แ, แล้วเขาก็มาบอกแหมนี่นะแต่ละคนแต่ละคนไม่เต็มบาทละคนเนี่ยที่แกมาฝากกันเนี่ยเลยคนไม่เข้าวัดแล้วเราพูดเลยเขาไม่สนใจเนี่ยนะเราก็เลยอาจจะนึกว่าหรือเขาอาจจะนึกว่าแหมไอ้คนเข้าวัดนี่มันยังงี้ทั้งนั้นเหรอเนี่ยเขาไม่ได้เข้าไปดูคนในวัดปไปเลยแลายคนวันนี้มันก็คือคนบ้านนะ มันมาเข้าวัดชีวิตดีขึ้นถ้าเขาไม่มาเข้าวัดกูไม่เป็น ง, งานทำเนี่ยเขเพราะเขามาเข้าวัดมาอะไรแต่เขายังดีไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเราก็ต้องนึกว่าเออนี่คุณก็ต้องบอกเขาในาเวลาจะไปฝากฝังอะไรเนี่ยว่าเราส่วนหนึ่งเราคิดช่วยเขาส่วนหนึ่งเขามาช่วยเราไม่ใช่ว่าเขาบ้าสุดที่นั่งทําอะไรไม่ได้อย่างงั้นก็เราก็ไม่พร้อมจะให้เขาได้เต็มร้อยอย่างนั้นก็คือเขามาทํางานเราสักเก็บติด อีกสาสิเปอร์เซ็ตก็ส่งเคราะห์เขาเราก็ได้แด่บุญต้องจี้แจงก็อย่างนี้ครับและคนพวกเนี้ยมันเป็นผลผลิตของสังคมทั้งนั้นที่บังเอิญเข้ามาในวัดคนออกไปจากวัดเนี่ยออกไปในบุคลิกอย่างไรอย่างไรมันก็มีความหมายแก่วัดเท่านั้นทีนี้ที่จะพูดตรงเรื่องนี้ก็คือว่าคนที่เข้ามาเลื่อมใสมานับถือในทางบุญทางกุศล มาฝึกสมาธิฟังเทศฟังธรรมอะไรไปเนี่ยแล้วตัวเองก็เก็บภาพประทับใจในสิ่งที่เป็นความดีซึ่งเป็นกุศลและเนื่องจากตัวเองมีวิบากมีคีเลสที่จะต้องมาประเจนกับความปุงสร้างก็เอาสิ่งเหล่านี้ไปละลึกนึกถึงด้วยจิตที่เป็นอากุศลตัวนั้นเป็นบาดแผลงตัวเองคืออากุศลตัวนั้นยกมา ถวายท่านท่านครับตรงตรงมุมนี้กัะตรงนี้ก็ใกล้ๆ ก, กันไอประเด็นตรงนี้นะถึงว่าเป็นประเด็นที่ถ้าคนไม่เข้าใจถ่องแท้อันตรายนะอันตรายแล้วก็ไอตรงนี้แหละมันก็อันตรายไปที่ไหนก็ไปเจ อ, อยังไงจะดีจะชั่วแล้วแต่ป้ายหรือแต่แต่ไอรูปการที่มันแสดงให้เห็นใช่ไหมก็เลยกลายเป็นว่าตัวเองจะเชื่อยังไงจะเข้าใจยังไงไม่ได้ด้วยตัวของตัวเองแต่อย่างเราเนี่ยเรามองทุกอย่างกระจ่างชัด ถึงจะเกิดอะไรที่ไม่ดีเลวร้ายอย่างไรกับคนในวงการศาสนาเราก็ไม่รู้สึกหวั่นไหวกับตัวหลักตัวศาสนาเรากลับมองเห็นว่านั่นคือคนที่เข้ามาพึ่งใบบุญของศาสนาด้วยสิ่งแปลกเปื้อนที่แตกต่างกันและศาสนานั้นทาให้เขาแปลกเปื่อนน้อยลง ได้รับผลเดียวนั้นหรือจะได้รับผลต่อไปนะนั่นก็คือสิ่งที่าศาสนาให้ได้แล้วก็ต้องนับว่าดีไว้ก่อนดีในแง่ของคนเข้ามาในี่ดีแต่คนที่มีโอกาสเสียคือาศาสนาใช่ไหมหรือคนที่บริหาราศาสนาผมอยากจะยกตัวอย่างชัดๆอีกเรื่องที่ผมไม่ได้ไปเห็นนะแต่ว่าพวกดูแลกิจกรรมอันนี้เข้ามาปลาโรคกัผมแล้วผมก็ใจซาบซึงเลย เขาบอกว่าที่วัดอินนะคุณแม่สิริไปสอนวิปัสสนากรรมฐานก็มีคนเขาเอาคนนู้นคนีคน้มาคนมานี่จะไปเรวรู้แล้วว่าใครเป็นยังไงนะแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยพ่อแม่นี่มีลูกมีญาติพี่น้องก็อยากจะเอาคนที่สุขภาพจิตมีปัญหาเนี่ยมาปฏิบัติก็มาปฏิบัติก็รอดตาขายมาได้งไงก็ไม่รู้่นะ ก็มามาทําแล้วปรากฏว่าพูดกันไม่รู้เรื่องวันดีคือดีไปวิ่งไล่จับกันแถวถนนสนะําเสดบ่ะพัดอินอยู่แถวนั้นคนเขาก็เห็นว่าไอ้นี่มาจากไหนก็าถามว่าทุกซิบออกมาจากวัดก็ไปทําอะไรในวะัดไปทํากรรมฐานทํากับใครแล้วลองคิดดูใครเขาจะมานั่งเข้าใจว่าอ๋อไอ้คนนี้นะมันพ่อแม่พี่น้องมันพามามาันมาในลักษณะไม่ให้คอแท้จริงกับครูบาอาจารย์เขา แล้วมาก็แค่ให้รับปฏิบัติก็ไม่สามารถจะรับลงมือทําได้แล้วก็หลุดออกมาใครจะไม่เข้าใจแล้วใครไปนั่งอธิบายไปจานตละลกองไปเที่อธิบายแบบเหมือนกขาบอกอให้กินปูรอนทองหรือใครอธิบายแล้วใครจะเชื่อเห็นไหมความรู้สึกอย่างนี้ก็กลายเป็นเรื่องที่เสียหายคาความรู้สึกคนไม่รู้จบจะให้ใคไปพูด่ะ ที่ไปลงซื้อพิมพ์บอกเลยก็ก็ยิ่งจะไปกันใหญ่ที่นี้คนเหล่านี้เขาก็จะเกิดอกุศลจิตกับกุศลจิตตามไปด้วยอย่างที่ว่าที่นี้มาพูดถึงอีกผมยกตัวอย่างให้ให้เห็นอีกมุมน่ออีกที่อ่อนกว่านี้หน่อยอ่เดี๋ยวผมถามก่อนว่าที่เล่าให้ฟังเนี่ยกลัวไหมเนี่ยเกลียดศาสนาไหมอ่าก็ยิ่งชั่วนะ เล่าถ้าไปที่อื่นนี่ไม่กล้าเล่าแร้วนะถึงจะนึกว่าเล่าแล้วจะพูดดักหน้าดักหลังไว้ก็ไม่คุมกันแหละดักไม่ดักไม่สนิทแน่นี่ยกตัวอย่างอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าอย่างคนที่ศึกษาธรรมะเนี่ยหรือทั้งศึกษาทั้งพูดหรอครับผมฝากให้เป็นข้อสังเกตว่าบางคนมีลักษณะฟุ้งผมพูดอย่างนี้พูดเอาสภาวะธรรมไม่ได้พูดเพื่อให้ไปนึก ติดฉินดูถูดูเหมียนไกลจริงไม่จริงมีลักษณะฟุงยิ่งฟุ้งในอาการของการพูดออกมานม่เห็นชัดเลยฟุ้งอย่างชนิดที่ขาดสติกับสิ่งที่ตัวเองพูดอยู่เลยกลายเป็นเรื่องของการเอาแพ้เอาชนะเอาผิดเอาถูกโมโหโกรธาอะไรกันไปอย่างนั้นนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งและในแวดวงในหมู่ของคนที่เรียนธรรมะแล้ว กิเลสตัวนี้เด่นออกมามีให้เห็นมาตลอดครับและถ้าเราสามารถจะสงเคราะห์ือกูลก็ได้เราต้องคุมครบับางคนมีลักษณะยึดแรงยึดและเราเองเราก็ต้องช่วยดูแลเขาถ้าเราเป็นคนเป็นเพื่อนเขานะเป็นกายอเมกเขานี่ต้องคลายต้องลดอันนี้เพราะไม่เป็นประโยชน์เลยอย่าไปนึกว่าการที่เราได้กุศลมาแล้วและ การเพียงแค่ได้กุศลมา ก, ก่อนและตอนหลังจะมาเกิดความยึดความฟุ้งอย่างไรจะต้องดีไปตามกุศลนั่นด้วยนะผิดผิด<ม>ยังไงเราเข้าใจได้ทีนี้ถ้าเราจะมองตัวเอง <c oughs> อย่างกรณีของผมดูตัวผมเองว่าอย่างเราจะต้องไปพูดธรรมะต้องพิเคราะห์ต้องอะไรแต่อะไรเนี่ยบางครั้งฟุง้ง ฟุ้งอย่างเป็นอุท ธ, ธัจจะอุศนเนี่ยนะฟุ้งว่าอย่างไงคือฟุ้งคิดวิเคราะห์บางทีมันก็ได้ไอ้ข้อมูลนะได้หลักเกณฑ์ได้แต่ว่าตัวจิตแล้วเป็นตัวฟุ้งนอนตาลืมลงเนี่ยนะคิดบางทีหยุดไม่อยู่นะหยุดไม่อยู่เอพอแล้วจะหมดเวลาแล้วเลิกแล้วจะทำอย่างอื่นแล้วมันไม่ฟังแล้วมันเรียกว่าติดลมฟุ้งติดลมเออเราก็รู้นี่เป็นจิตฟุ้งแหละ และที่เห็นชัดก็คือในขณะที่ไปปฏิบัติธรรมแล้วก็พกการบ้านไปด้วยฟุ้งครับฟุ้งคิดเป็นตูเบ็นตาเนี่ยเขาเรียกฟุ้งละเอียดถ้ารับไม่ใช่ในบรรยากาศนั่งก็ดูจะเป็นเรื่องดีแต่เรากำลังจเจริญสติอยู่เนี่ยเราจะจับได้ว่านี่เป็นจิตฟุ้งบางทีอยู่เดี่ยวก็รุ่งฟุ้งขึ้นมา เพื่อให้เสนอข้อเท็จริงกับเรานะนี่เป็นเรียกว่าเป็นเล่ห์ของกิเลสของอุทจัจเจะเพื่อทำให้เราเนี่ยทิ้งกิจที่กำลังทำอยู่จะม้อนหน้าตอนจึงต้องคิดตรงนี้ให้ดีสมัยก่อนทีเดียวเนี่ยผมเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าเราเร า, เ, ราเวลาเราเรียนธรรมะอะไรเนี่ยใครมาชวนคุยเราก็อยากจะพูดให้ฟังนะ ว่าเขาจะได้ได้ความเข้าใจได้ัต้ า, าในสิ่งที่ควรได้รู้ในสิ่งที่ควรรู้แล้วก็ัเมื่อก่อนเนี่ยผมยังไม่ได้พูดธรรมะเราก็เลี้ยงใครมาคุยผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็คุยได้ทั้งนั้นแล้วผมมาสะเทือนใจกับคนหนึ่งเขามาเจออีกแล้วก็ใช้คําพูดเขาจะมีเจตนาอย่างเขาพูดหรือเปล่าไม่รู้เป็นผู้ใหญ่เขาว่าเอาเ้าวเวไงวันนี้ มาถึงก็ปรีมานั่งที่โต๊ะตอนนี้จะฝอยอะไรให้ฟังอีกก็พูดขยายคานี้ผมสะดุ้งเลยสะเทือนเลยว่าเราทํามาที่แล้วเนี่ยเราทําไม่ถูกเราต้องมีเบลกบ้างแล้วต้องเหยียบเบลกบ้างแล้วเราต้องพูดให้สมควรแก่เวลาแก่อะไรบ้างแล้วแสดงว่าไอราคาที่เราพูดให้เขาฟังด้วยความตั้งเรานึกอก็เราตั้งใจดีแต่มันด้วยอาการที่ที่อาจจะเกินเลยอะไรกันไปบ้างเนี่ยทําให้เขา เห็นสิ่งที่เราพูดเป็นเพียงอยากเยื้ อ, อนนั่นเองเขาถึงใช้คำว่าฝอยตั้งกระบัดนั้นเนยผมได้สติกับเรื่องนี้ตั้งแต่ก่อนพูดธรรมะแล้วนะถึงต้องรู้ว่าเราต้องรู้จักเจียมปากบ้างแล้วละ่ะบางอย่างบางคนเขาไม่ถามก็อย่าพูดบางอย่างบางคนเขาไม่ถามเราอาจจะควรพูดแต่เมื่อพูดเราควรจะพูดแค่ไหนยังไงแต่สิ่งสาคัญคือจะต้องไม่พูดในลักษณะที่มันเป็น พูดเพื่อความสนุกเป็นสุขของเราเองต้องพูดอยู่บนประโยชน์ของคนที่เขาเป็นคู่สนทนาของเรากลัวทำรร ม, มาจะกลายเป็นฝอยเดี๋ยวก็เลยกลายมาปากแล้วกลายเป็นหนังขยะมันก็กลายเป็นไม่ดีนี่ก็เป็นกรณีที่ชัดเจนของเรื่องอุดทัศน จ, จักที่เกิดขึ้นกับคู่สนนธรรม จึงผมจึงให้หลักอยู่ตลอดเวลามาว่ากุศลธรรมนั้นดีแล้วสิ่งที่เราจะต้องระวังอย่าให้อากุศลธรรมเข้ามาฉกฉวยเอาไปคิดเอาไปแสดงลักษณะของอากุศลธรรมตัวนั้นตัวนี้มันจะทำให้เกิดความเสียไม่ใช่เสียเฉพาะในในจิตเราเท่านั้นแม้แต่ทัศนคติของคนอื่นก็เสียด้วยเรื่องนี้ต้องระวัง ที่นการระวังเราเนี่ยเราไม่อาจจะห้ามอกุศลได้ร้อยเปอร์เซ็นตบางอย่างเนี่ยถ้าห้ามการพูดได้ห้ามไม่ให้พูดไอ้คิดอาจจะ ย, ยังมีอยู่นะที่ถ้าความคิดเราจะห้ามก็ต้องห้ามจากส่วนหยาบที่สุดถ้าจะเหลือก็ให้เหลือส่วนละเอียดที่มันยังเกินกําลังที่เราจะหข้ามได้เราก็ควรจะอย่าหักห้ามได้ในส่วนที่เราห้ามได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ลแล้วก็ จะทำให้กุศลธรรมเราเนี่ยเป็นของมีกำลังเป็นของที่น่านับถือเป็นของที่ต้องตาคนคนอื่นก็ต้องตาเราเองเราก็จะได้รับไอ้ผลพวงของความชั่วที่พึ่งเกิดจากกุศลธรรมเนี่ยน้อยผมผมเคยย้าแล้วตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่ไม่ได้พูดกรยายตะตีเนี่ยนะคือไอ้ความดีที่เราได้ ได้มาแล้วเนะี่ยมันมีสิ่งไม่ดีแถมมาด้วยเนะี่ยเพราะอาการตรงนี้ครับตั้งแต่ก่อนทำและหลังทำเกิดขึ้นจากอาการตรงนี้ขยายได้มากเลยตรงนี้เอาไปคิดต่อแล้วไปสังเกตดูได้ทีนี้พูดถึงโทมนนะันนัทนะในพูดถึงโทมนัทตรงนี้นะกลายเป็นเรื่องที่ นานเข้า น, านานเข้านี่จะเป็นตัวทํำลายล้างกุศลธรรมที่เราได้ทําแล้วที่เราได้เคยชอบแล้วคือทัศนคติต่อกุศลธรรมเนี่ยจะมีอยู่สามลักษณะคือหนึ่งลักษณะกลางกลางด้วยอํานาจของโมหะอย่างยังฟุ้งซ่านนี่เป็นลักษณะกลางกลางอาจจะไปทางใดทางหนึ่งก็ได้ อีกส่วนหนึ่งคือลักษณะของราคาของทิฏฐิอันนี้จะเป็นลักษณะทางบวกบวกในทางบาปนะแต่มันก็ทำลายคือว่าอย่างเช่นว่าเราทำบุญนั้นอีกด้วยความยึดติดด้วยตัณหาอุปาทานกลายเป็นไม่ดีอีกอันหนึ่งก็คือในทางปฏิเสธก็คือโทสะหรือโทมนัสนี่แหละถ้าเรานึกถึงกุศลธรรมที่ทาแล้วเราเสียใจร้องไห้ เกิดทุกข์เกิดโทมนั์ในที่สุดเราจะเลิกทําความดีนั้นโดยเร็วจริงไม่จริงมันเหมือ น, นว่าเราเออทําบุญครั้งหนึ่งปวดหัวทีทําบุญครั้งหนึ่งปวดทองทีใครบางอยากจะทําไม่มีใครอยากทำทำบุญทีเสียใจทีทําบุญทีเขาดูถูกให้เจ็บช้ำ น, น้ำใจดีไอการที่เราทําบุญแล้วแล้วก็ต้องมาเกิดโทมนั์เนี่ยมันมีสาเหตุจากหลายอย่างทั้งโดย ตรงๆที่เราเห็นได้ผมยกเรายกตัวอย่างเช่นว่าเราไปทําบุญช่วยเหลือคนหนึ่งเรานึกว่าเขาดีเสร็จแล้วทําแล้วกลายเป็นคนชั่วดีใจเสียใจแทนที่จะมานึกเสียใจและเอาคนออกไปจากบุญมันลามมาเสียใจกับบุญด้วยลามมาเกลียดบุญด้วยสําหรับบางคนไอ้บางคนเขาเขาเกลียดแต่คนไม่เกลียดบุญก็เลือกคนใหม่บุญก็ยังอยู่แต่ว่าโดยทั่วไปมักจะไม่ได้นึกเลือกนึกบริหารเราเองใช่ไหมก็เกิด ไอ้อย่างนี้ในที่สุดจะเป็นคนทิ้งบุญหรืออีกอกรณีหนึ่งเราเนี่ยทําบุญแล้วไอ้บุญนั้นเขาก็มีพลังที่จะส่งผลของเขาแต่ในระหว่างนั้นไอ้ผลบาปที่เราทํามันมาให้อเ อ, อ่าอันนี้อาจารจะนึกไปในส่วนไหนแค่ไหนก็ได้ทั้งนั้น เ, เ, เดี๋ยวผมอาจจะแ ย, แยกให้เห็นชัดลงไปในรายละเอียดแต่พูดเป็นลักษณะคร่าๆวๆอ่าคนที่ทําบุญทําบุญทีลายอากุศลวิบาก ส่งผลจังหวะนั้นพอดีพอดีอดมันชวนเข้าใจผิดใช่ไหมว่าเอ๊ะทาบุญแล้วทําไมมันได้บาปท่านว่าไอ้ยอย่างนี้น่ะกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิไปเซะเยอะแล้วทําไมถึงเป็นอย่างนั้นแค่ตาคําของคนบางคนเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนั้นแต่ถามมันจะเป็นตลอดไปไหมไม่ตลอดและเป็นอย่างนี้มันหมายความว่าทำให้บุญนั้นไม่ส่งผลดีเลยก็ไม่ใช่เออคืออย่างไรคนทําทําบุญแล้วต้องเป็นอย่างนี้เพราะอะไรตอบว่า มันเกี่ยวกับกรรมเก่าของคนบางคนเช่นเวลาที่คนอื่นเขาทำความดีตัวก็ไปนั่งพักท้วงพูดจาศาดแช่งด่าว่าเขาให้เสียกำลังใจให้น้อยจะเนื้อต่ำใจให้อย่างนู้นอย่างนี้ ตัวเองเนะี่ยทำกรรมอย่างนี้ไว้ในกรณีกรรมบาปของตัวเองไปคาบเกี่ยวกับการทำบุญของคนอื่นตัวเองเมื่อมาเกิดพบใหม่ชาติใหม่และบาปพวกนี้เวลาจะส่งผลก็หาช่อ ง, องมันเนี่นะว่าช่องของมันอยู่ตรงที่คนนี้จะต้องมาทำบุญก็มาทำความดีบาปมันก็เลยได้ช่องตอนทาความดีเลยทำความดีแล้วมีอุปสรรค ที่ที่เคยปลาล้นฟังเนี่ยก็มาบ้างใหม่มาบ้างที่นี่คราวที่แล้วก็มาคราวนี้อุไม่ได้มาท่านก็ยอมรับจะตากรรมท่านนั่นแม่ทําบาปแล้วมีอุปสรรคทาบุญทําบาปมีอุปสรรคก็ดีนะทําบุญแล้วมีอุปสรรคยังก็เรื่องเรื่องโกหกเออฟังมันก็ฟังดูก็แปลกจริงๆคนอย่างนี้ก็มีด้วยผมเจอมาสองสามคนะระเภทนี้อุปสรรคประหลาดจริงๆ แล้วตัวเองก็จะต้องอยากจะทำบุญแนละ้วทำบุญแล้วก็มีเรื่องเดือดร้อนตรงสี่ไม่ทำแล้วไม่เดือดร้อนอย่างนั้นก็อย่าทำดีไหมไอ้กรรมนั่นมันบอกไม่ได้แก่ต้องทำไม่ทำแล้วจะได้ผลไม่ได้ที่จริงนะถ้าคนมัตติกาลเป็นแล้วก็กลายเป็นผมบอกกับเขาว่าเลยเป็นดีขึ้นหนึ่งเราแทนที่เราจะไปนึกอย่างอากุศลจิตนึกอย่างอกุศลก็คืนหนึ่งชดใช้กรรมเก่าแล้วได้ทาบุญใหม่ มันกลายเป็นดีนะดีกว่าชดใช้กรรมเก่าในสภาพที่ต้องทำบาปใหม่ไอ้อย่างนี้จะทำให้บาปนั้นยกเลิกการให้ผลเร็วบางทีเนี่ยพอทำอะไรไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เห็นมาบอกอยากจะได้ที่ทำนานาหม่สวายประเทพบอกถวายไปจนหมดแล้วเกือบตายมาแล้วเนี่ยที่หมดแล้วถึงแม้ทํามะ บอกสักตอนนั้นก็สบายถาวายท่านไปแล้วก็ไม่ต้องมาน้ำตาเข้าน้ำตาออกอย่างที่ว่านนี่จะยกที่ราคาตั้งมากมายให้เขาเนี่ยนะยังต้องโดนโอ้โหมลสมกระหน่ำซ้ำเติมฟังแล้วก็ตลกสิ้นดีวจะทำบุญยกที่ให้เขายังต้องทนทุกข์รมานเรื่องน้ำตาแถบกระเด็น มันเหมือนโ็หกจริงๆอะนะปกติคนทาจะทําบุญจะให้อะไรใครมันต้องเขื่อทุกคนน ะ, นะต้องใหญ่ต้องใครเขายอมทุกคนแต่นี่ไม่จะยกที่ให้เขาเขามาเหยียบเขามาย่าเขามาซ้าเขามาเติมเขามาขัดขวางขนาดกับคนที่เราจะให้เขามันเหมือนกับกับคนมีลูกความปรารถนาดีเราจะเป็นผู้ให้ลูกแท้ ลูกมันไม่รับด้วยดีมันไม่รับสิ่งที่เราจะให้ใช่ไหมใช่นี่คือคนที่มีกรรมในลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นตรงนี้จึงเป็นเหตุที่ทำให้คนบางคนเนี่ยเกิดความเห็นผิดเกิดความเสียใจกับความดีที่ตัวเองทำตัวเองเสียใจไม่พอคนอื่นก็ยังมาเสียใจแทน เสียใจก็เราด้วยว่าเราไม่น่าจะไปทำความดีนั่นเลยแต่ประเภททำคุณบูชาโทษนะทำคุณบูชาโทษมันก็ว่าไห้ทำคุณบูชาโท ษ, รทโทษเราทำความดีทำบุญคุณเขาบูชาเราด้วยความชั่วด้วยโทษมันก็คือเออคนนีงคนนี้ทำความดีแล้วไม่ได้รับผลดี ป่ยสุดจะเลิกทำความดีไปในที่สุดแม้ขั้นแรกอาจจะหวั่นไหวขั้นต่อไปอาจจะเลิกได้พูดจริงเป็นบุญไหมพูดพูดจริงรักษาติ่งข้อสองเอางี้เนี่ยพูดคือพูดจริงข้อเท่าไหร่นะข้อสี่สิเป็นบุญไหมไม่ค่าสตร์เป็นบุญไหมบอกพูดจริงบางคนไม่แน่ใจเอาจริงแบบไหน เอาจริงแบบศีลเนี่ยแล้วกันเป็นบุญใช่ไหมพูดจริงแบบศีลในเงื่อนไขศีลเป็นบุญไม่ใช่พูดจริงแบบนินทาเปิดโปงไอ้อย่างงั้นก็เป็นบาปเป็นว่าไม่พูดเท็จศีลนี้แล้วไม่พูดไม่กล่าวคำเท็จเป็นบุญแต่ถามว่าคนพูดจริงแล้วเกิดโทรมนั้นที่หลังมากไหมเขาพูดจริงเกิดโทรมานะ เสียใจที่หลังว่าพูดจริงเดือดร้อนเ่าพูดจริงแม้ไม่ฆ่าไม่ฆ่าสัตว์เดือดร้อนเพราะไม่ฆ่าสัตว์ก็เยอะปลวกมันขึ้นบ้านไม่ฆ่ามันเลยเดือดร้อนยุงมันกัดไม่ตบมันมแมลงสัพ์รบกวนไม่ไม่ฉีดมันเลยเดือดและจะเชื่อความเดือดร้อนเลยจะเชื่อศีลไอย่างเราเราก็พยายามจะให้เชื่อศีลแต่ชาวโลกเขาเชื่อความเดือดร้อนนะ เลยไอเราเนี่ยถึงบอกว่าไออกุศล บ, บางส่วนเนี่ยกุศลเป็นพูดเรืว่ากุศลบางส่วนเราเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความเดือดร้อนแก่เรากุศลบางส่วนเท่านั้นที่นำมาซึ่งความผาสุกแก่เราไอสองส่วนเนี่ยใครจะมากกว่านั่นคือราคาของความแทงตลอดในกุศลธรรมและอกุศลธรรมของเรา ผมถามว่าทุกวันนี้มีใครบ้างการที่ไม่ตบยุงเสียได้เป็นความสุขเป็นความไม่เดือดร้อนและถามว่ามีใครบ้างการไม่ตบยุงเป็นความเดือดร้อนอะไร ต, ต้องตอบก็ได้นะก็คงจะมีสองประเภทนี้แต่บางบางคนเนี่ยแน่ชัดแล้วไม่ค่าเนี่ยเป็นความสุขที่มันทดแทนได้จริงๆริชดเชยได้จริงจริง และคนที่เขายังเป็นความทุกข์เราก็ต้องเข้าใจเงื่อนไขเขาแต่ในแง่ของหลักข้อเท็จจริงก็คือหลักข้อเท็จจริงตรงนี้เองแหละครับที่ครับที่ผมพูดว่าจะพูดแล้วก็ไม่ได้พูดแล้วมีคนมาทวงว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วพระผู้มีพระภาคทรงตรัสเรื่องอำนาจของปัจจัยไหน ทำดีได้ดีถ้าพูดในแง่ของอารมณปัจจัยนั้นเป็นของสับสนคือคนทําความดีแล้วมานึกถึงความดีนั้นแล้วเกิดอกุศลจิตก็คือทําดีแล้วได้ชั่วในขณะนั้นบางคนทําความชั่วแล้วนึกถึงความชั่วนั้นเกิดกุศลจิต เกิดกรรมมักาตาปัญญาหรือเกิดวิปัสนาปัญญากำหนดรู้นิวรณ์กำหนดรู้สังโยชน์ความชั่วที่เกิดขึ้นชื่อว่าทำความชั่วแล้วได้ดีมันก็เป็นเรื่องสับไปสนมาอย่างนี้เอาแน่ไม่ได้ถูกไหมฮะ เ, เพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะ่ะจึงเป็นเรื่องไม่แน่นอนและไม่ ใช่ความหมายที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาที่ทรงประสงค์เอาว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทรงประสงค์เอาด้วยอำนาจของนานักณิกะตัมมะปัจจัยนานักนิกะกรร ม, มปัจจัยทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วซึ่งไม่อยู่ไม่ขึ้นอยู่กับความเข้าใจของใครใครจะคิดว่ายังไงก็แล้วแต่และดีหรือชั่วในพระพุทธศาสนาในจริงๆ เป็นค่าสมมุติเป็นค่าสมมติจริงอยู่แม่กุศลจิตจะเป็นเป็นปรมัติตย์แต่การให้ค่าว่าเป็นขอเป็นความดีเป็นสมมุติ อ, อ่ตรงนี้นอาจจะเป็นเรื่องใหญ่สักหน่อยสมมติจะหมายถึงสมมติคือการสมมติค่าเพราะกุศลเนี่ยเอาเข้จริงแล้วก็เป็นทั้งดีทั้งไม่ดีบางครั้งกุศเจ้าก็ตรัสว่าดีบางครั้งก็ตรัสว่าไม่ดี อาภีสังขารมานมานคือบุญบาปไม่เว้นบุญนะทําไมในที่นั้นตรัสเรียกว่ามานกลายเป็นอุปสรรคกลายเป็นข้อขายข้องนั้นก็อีกระดับหนึ่งเพราะนั้นก็เทียบค่าไปเรื่อยเพราะนการให้ค่าเป็นดีเป็นชั่วเป็นเรื่องสมมุติแต่กุศลเมื่อทําแล้วมันก็มีวิถีทางที่จะส่งผลของมันแบบตายตัวแหละ ว่าทากุศลจิตทำให้เกิดวิบากหน้าปรารถน า, ถาช่ไหมคัว่าั้นกุศลธรรมเนี่ยทำแล้วทาให้เกิดผลที่หน้าปรารถนาสำหรับคนทั่วไปแต่สำหรับเบื้องสูงแล้วก็กลายเป็นของดีเลวกันเป็นขั้นๆไปจึงเป็นสมมุิในแะง่นั้นพอมีการเทียบค่าและมีการถอนค่าที่ว่าดีกันเป็นขั้นๆไปได้ จึงเป็นอันว่าอย่างเราเนี่ยครับบุญที่เราทำในฐานะที่เป็นโลอียกุศลและเราเองเป็นปุถุชนมีกิเลสตื้นลึกหนาะบางต่างกันทำบุญแล้วเมื่อปลาลบบุญนั้นถึงเกิดกุศลบ้างอากุศลบ้างไม่เป็นที่แน่นอนใช่ไหมจากไม่ได้เกิดกุศลตลอดแล้วก็ไม่ได้เกิดอากุศลใบเสียหมดตะพืตะพือ ทีนี้โดยหลักที่ควรเราควรเกิดลลกุศลและจิตอีกถูกไม่ถูกอภารเจตนาของฐานจึงควรเป็นกุศลอีกและแม้อาคุลเรานึกถึงแล้วควรจะเกิดอกุศลซ้ำหรือควรจะเกิดกุศลควรเกิดกุศลเพราะกุศลเนี่ยไม่ว่าเมื่อใดเมือ่อใดเป็นของดีเสมออาคุณไม่ว่าจะเกิดด้วยตัวมันเองเกิดกับมันเอง หรือเกิดกับกุศลก็เป็นของไม่ดีเสมอต่อไปดูข้อสองที่ท่านบอกว่าบุคคลยินดีเพื่อเพลินซึ่งกุศลธรรมที่ตนสั่งสมไม่แลในการก่อนเพราะปลาโลกุศลนั้นราฆาตทิสติวิจิกิจาอุจธจธาระโทมนัตย่อมเกิดข้อหนึ่งข้อสองเนี่ยความจริงพูดไปด้วยกันได้แต่ที่แยกไว้ก็เนื่องจากว่าข้อสองท่านหมายถึงกุศลที่เป็นทานเป็นศีลซึ่ง บุคคลได้กระทาในระยะใกล้ๆพอจะนึกเห็นได้ส่วนข้อสองเนี่ยหมายถึงกุศลทั้งหมดที่บุคคลกระทาไว้แล้วแม่เก่าๆโดยไม่มีส่วนเหลือถึงเป็นของชาติก่อนที่บุคคลนั้นสามารถจะระลึกได้โดยยานวิถีใดๆและระลึกขึ้นได้ก็เลยก็สั่งสมไว้แล้วแต่พอนึกถึงอีกทีเกิดอากุศลและจิต เพราะนั้นในกรณีของคนใกล้จะตายเนี่ยท่านลองพิจารณาดูนะว่าคนใกล้จะตายระลึกถึงกุศลละจิตเก่ากุศลธรรมเก่าที่ได้ทําแต่จิตขณะนั้นเป็นอกุศลในกรณีหนึ่งอีกกรณีหนึ่งคนใกล้จะตายระลึกถึงสิ่งที่เป็นอกุศลแต่จิตที่ระลึกนั้นเป็นกุศล สองอย่างนี่เหมือนกันไหมไม่เหมือนและอย่างไรถูกอย่างไรถูกอย่างไรนําไปสู่สุคติได้ตอนใกล้จะตายเราเนี่ยคนอีอะพี่น้องอพระพุทธลูกไม่ให้เราดูวันนี้พระพุทธเจ้านะนี่พระล่างนะไอ้คนจะตายนเออนี่ยเออในพระทองนะี่แม้เราไม่น่าตายเลยเราตายแล้วพระทองนี่จะตกตึกไกลหน้าเลยหรือบอกว่าเออเวลาฉันตายพระใส่ลงมาด้วยนะ ฉันจะได้ไปใช่นะไปขายไ ป, ไปเส้นสูงอย ม, มบ่บาทอะไรก็ว่าไปคิดเป็นในทางมุญค่าจิตคิดอย่างนี้กับพระเป็นบุญมป็นบาปเป็นบาปและคิดว่าพระจะพาไปสวรรค์หรือมาไปนรกพระพาไปนรกความจริงไม่ใช่ว่ามาไปหรอกตัวเองน่ะเอาพระไปนรกอย่างนี้ก็แล้วกัน งแม้จะนิมนต์พระไปเทศปโปรดพระเหลืองห็เห็นแล้วตัวเองไม่ศรัทธาพระไม่ชอบพระเกิดเป็พระที่ห่มพระเหลืองเป็นคนที่ทะเลาะ ก, กันเป็นคู่เวงกันอยู่โดยบุคคลนะนะก็ลืมพระเหลืองนึ ก, กว่าเป็นคนจะไม่ชอบเพราะใครผิดก็ตามผิดเป็นอกุศลอย่างนี้น้ำพระจะให้ไปไหนเขาควรจะไปไหนไปอาบาัย ไปอบาบัยเพราะฉะนั้นแม้แต่คนตายในวัดในหย่างนื้อควจะไปสวรรค์นะหามไปตายในวัดเอาก็ลองดูว่าเลยนะตายหน้าวัดยังไปเอเวจีเช่นไขยเป็นต้นพระเทวทัตยังไปเอเวจีเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นตัวพึ่งได้จริงๆเนี่ยตัวหลักคือจิตต้องรักษาจิต และถ้าคนรักษาจิตดีแล้วไอ้ข้อแม่ทางอารมณ์มันมันหมดพน้นถึงจะมีคนชั่วไม่เห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาก็เพราะคนชั่วนั่นแหละคนนั้นปลาลบแล้วไปสวรรค์และเพรานึกถึงบาปที่ทํานั่นแหละละลึกถึงบาปนั้นแล้วไปสวรรค์ละลึกถึงแล้วก็เกิดกรรมัตตตาปัญญาละลึกถึงว่าโอ้เดี๋ยวนี้เราไม่ทําและเจประคูมว่ายได้ทําอีกเลยจิตเป็นกุศลไปสวรรค์ได้ ทีนี่ไอ้ที่เราเอาอารมณ์เข้าไปเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดกุศลเพื่อเป็นอุปกรณ์กุศลจิตนั่นเองอรัเพราะฉะนั้นถ้าอารมณ์ก็ดีด้วยจิตก็ดีด้วยอันนี้ค่อนข้างจะแน่จัดไปสวรรค์ได้แต่เวลาคนใกล้จะตายเนี่ยเวลากรรมเขาให้ผลแล้วเขาเข้ามาจสะสภาไปสวรรค์เนี่ยเขาทำให้เกิดกุศลจิต แล้วก็นำอารมณ์ที่ถูกฝาถูกตัวมาให้ถ้าคนทำวิปัตนานี่ยิ่งโงไม่มีข้อแม้เลยใช่ไหมเกิดกิเลสอยู่ก็กำหนดรู้ ก, กิเลสกิเลสของตัวก็ตามกิเลสของคนอื่นก็ตามละลายความฆ่าสมมติออกไปจะเหลือแต่สภาวะที่เป็นบารมีแล้วก็ไปสวรรค์เพราะจิตที่ถึงฆ่าที่เป็นเนื้อบารมณ์นั้นสาม บุคคลออกจากฌานแล้วยินดีเพลิดเพลินซึ่งฌานเพราะปลาลบฌานนั้นราคะทิฏฐิวิจิจิชาอุทัต จ, จะย่อมเกิด อ, อ่านแค่นี้ก่อนขณะที่เข้าฌานเนี่ยจิตเป็นกุศลรืออากุศลเป็นกุศลกุศลชั้นสูง้วยเป็นภาวนาใหม่สมาธิภ า, า, าวานาใหมา่ ทีนี้เมื่อออกจากฌานกิเลสของคนที่เข้าฌานเกิดได้นะเกิดเมื่อตอนยังไม่ได้เข้าฌานเหมือนเราเวลาทำบุญเนี่ยตอนทำบุญก็จิตเป็นบุญแต่ว่าไอ้จิตที่สั่งให้ทำบุญกับจิตปลารลบเอาความเป็นบุญนั้นไปย่ายีวีฐานนะอาจจะเป็นกิเลสได้แล้วคนที่ออกจากฌานกิเลสเกิดเกิดตรงนี้นิวรณ์เกิดเกิดเกิดตรงนี้ ไอตอนจะเข้าก็มีอกิเลสก็เข้ามามาอ่ปาปาแข้งปาดขาไม่ให้เข้าฌานได้เรียกวันนี้วอนนะพอเข้าฌานเสร็จแล้วออกจากฌานปุ๊บเนี่ย<ช>เกิดกุศลด้วยก็มีเกิดกิเลสด้วยก็มีที่เกิดกุศลก็คือว่าเมื่อปัจเจเวกนาฌานปราลบโอฌานเรานี่เวลาเราเข้าชิตฝ่องใส่อย่างนั้นอย่างนี้กุศลจิตก็เกิดเป็นอัมพาตเจตนาแต่เมื่อ นึกไปนึกมาคิดไปคิดมากิเลสก็อย่างว่าแหละครับกูศลสูงมันก็สูงตามมันก็เข้ามาเกาะเข้ามาอาศัย<ม>คนเข้าฌานจึงเกิดทิฏฐิเกิดตัณหาจนทั้งเกิดปฏิฆะเกิดโทสะเกิดพยาบาทขึ้นมาได้ในที่สุดในระยะต่อมาก็เพราะอย่างนี้ฮะ ใ, ให้ให้นึกภาพจำเอาไว้อย่างหนึ่งว่ากุศลจิตที่ทําแล้วใหม่ๆเนี่ย ตอนนั้นกิเลสมันยังยังไม่กล้ามันยังเกรงใจอยู่มันยังไม่คุ้นไงครับมันยังเกรงใจยังเคารพนับถืออยังคือมือไม่กล้ามาแต่กุศลจะเข้ามาได้อย่างเต็มที่แต่พอนานเข้านานเข้ากิเลสจะค่อยๆขยับเข้ามาพัฒนาตัวเข้ามาแล้วก็ปรับตัวเข้ามาละลาบล ะ, ล, ะ, ล, ะ, ล, ะ, ล, ะลวงกับกุศล เเราเทียบเหมือนอย่างสำนวนโบราณว่าเล่นกระหมามาเลียปากทีแรกก็ไม่กล้าเลียนะนานเข้ามันเห็นว่าเราเ อ, อไม่ระวังตัวมันไม่สร้างแล้วมันก็เลียปากใช่ไหหรืออย่างที่เด็กวัดมางคนบอกว่าไอ้มกรก็กลัวบาปมาพอไปอยู่กับปลาเข้าปลาใช้ซื้ อ, อเลี้ยงดูดโอเลี้ยงก่อนปลาได้กลายเป็นความละลาบแล้วลวงเลยก็เลยไปตกนรกไปเพราะอย่างนี้แหละเยอะแล้ว คนที่ทำครัวให้กับวัดเหมือนกันพระถ่ายบาปแล้วก็เลยเอาของของไม่ดีถวายวลาของดีโยมแม่กลัวไปกินเองที่บ้านทำไมกล้าคิดอย่างนั้นได้ถามว่นเาเข้ามาก็คิดเลยนะไม่หรอกมันคิดด้วยสาเหตุหลายๆอย่างแหละครับที่ทาให้เกิดความประมาทลองประมาทแล้วมันก็คิดเข้าข้างเป็นประโยชน์แกกุศลความประมาทได้เพราะฉะนั้นคนได้ฌานนะ พอทําไปทํามาทิฏฐิราคามันเกิดไอ้ทราบซึ้งด้วยกุศลทีแรกออกมากลายเป็นตันหาทิฏฐิเกิดความยึดเกิดความติดมานะเกิดหวดอ้างเกิดทิฏฐิวิเคราะห์วิภาควิจารณ์วิชานี่มันเป็นอะไรยังไงตีความชานไปในทางศัตรตทิฏฐิอย่างนู้นอย่างนี้เลยเกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิขึ้นไง แล้วพอกิเลสมันเรียงตัวเข้ามาหนานแน่นไปในมุมใดมุมหนึ่งมาอะไรก็กลายเป็นเครื่องขวางมักขวางผลขวางการพัฒนากุศลในระดับที่สูงขึ้นไปแล้วก็ที่ท่านบอกว่าโทมนัทโทมนัทย่อมเกิดเอที่ใช้คำวิปฏิสารเนี่นะความร้อนใจสําหรับท่านผู้วิปฏิสานคือความเดือดร้อนใจเมื่อฌานเสื่อมแล้ว โทมนัตย่อมเกิดขึ้นตรงนี้ท่านใช้คำว่าชานเสื่อมเพราะอะไรเพราะในขณะที่ชานยังไม่เสื่อมนั้นโทมนัตไม่เกิดชานนั้นข่ ม, มปฏิฆะข่มโทสะเหมือนก็ไม่มีโทสะใจจะเย็นอยู่เสมอไอโลคะไอโลภาก็ข่มเฉพาะในแง่ของกาม ร, ราคะระหว่างได้ชานก็ไม่เกิดกาม ร, ราคะ องบางแง่ของการเกิดแต่โทสะเนี่ยคมสนิทเลยคมทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นความอาฆาตเกียดแค้นก็คมไม่ว่าจะเป็นความตกใจกลัวสะดุ้งก็คมไม่ว่าจะเป็นความกังวลนิดๆหน่อยๆก็คมเรียกว่าโทสะไม่เกิดเลยไม่ว่าจะอาการหยาบอาการละเอียดเดือดอาการปานกลาง ทีนี้พอฌานท่านแตกโอสะเกิดเกิดขึ้นว่าอย่างไรเกิดขึ้นในกรณีของความเสียดายฌานโอฌานขอเราแตกเสร็แล้วก็คือความโสมนัสเสียใจเศร้าหมองใจเศร้าหมอง ม, มันเหมือนเหมือนกับถ้าเป็นระดับเรามันไม่ถึงขั้นฌานาเราเมื่อบางคนในปลาลบเมื่อก่อนว่า เอ่เมื่อก่อนนี่เราทําสมาธิได้ดีทํำกรรมฐานได้ดีทําไมตอนหลังถึงมาไม่ดีเรู้สาเหตุบางไม่รู้สาเหตุบ้างดูแล้วก็ไม่ใส่ใจบ้างไม่ใส่ใจบ้างก็เสียใจว่าแหมเราทําไม่ดีเกิดความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจอย่างอย่างพวกเราบางคนเนี่ยบางทีเข้าเข้าเมื่อก่อนนี้เข้าดีเข้าแล้วสติสัมปชัญญะกรรมฐานเดินดี พอเข้านานๆเข้ายิ่งเข้ายิ่งตกคือไม่ได้ดีเหมือนเมื่อก่อนก็รู้สึกว่าโทรมันนะเสียใจอย่างบอกไม่ถูกมันเป็นความเสียใจอย่างเรื่องๆนะเพราะไอ้คนอื่นเขาทำแล้วเขาเขาก้าวหน้าเราทําไมทําแล้วมันถึงตกต่ำจนกระทั่งชัดแคงแย ง, แยงไม่กล้าหวังไม่กล้าคิดแล้วว่าไปเข้ากรรมาฐานเดือนหนึ่งจะต้องดีกว่าไอ้ที่เข้าครั้งแรกเจ็ดวันเข้าครั้งที่สองเจดวัน เลยแยง่งเลยเกิดความไม่มั่นใจเนตัวเองมันก็ดีในแง่ที่ว่าถ้าคนคนนั้นเป็นคนมาน้าที่ตีแรงเนี่ยนะอย่างน้อยก็ได้เกิดบทเรียนสอนตัวเองแล้วพวกพวกได้ชานนี่เขจะเสียใจอย่างลึกซึ้งมากเมื่อชานเขาแตกทีนี้ไอ้บางการณีมันไม่ได้เกิดในเรื่องความเสียใจเสียดายชานแต่ว่ามันเริ่มเกิดมาเป็นลักษณะของ ความพยาบาทความอาฆาตความหมุดหงิดเลยเกิดบุคลิกของบุคคลชนิดหนึ่งขึ้นคือคนประเภทนี้มีตาบะแรงมีสมาธิแรงแล้วก็เป็นคนที่โทสะแรงถือสาแรงแล้วก็มักจะใช้ตบะตัวเองไปออกไปในรูปของการประทุษร้ายบุคคลอื่น นั่นพวกมนคลังมนดำเนึ่ยกเพาะอย่างเงี้ยเป็นลักษณะอย่างนี้ครับพวกฤาษีที่เขาว่าโมโหขึ้นมาแล้วมองไกลแล้วก็มอดใหม่เป็นจุนวิจูนไปเนี่ยก็เป็นลักษณะอย่างนี้นี่หมายาว่าพวกนี้น่ะฌานแตกแล้วคุณสมบัติทางฌานแตกแล้วแต่เหลือแต่บารามีของฌานปกจจุบันิตยาปัจจัยของฌานที่มันติดเป็นบุคลิกมาแล้วเขาเอา บุคลิกของปกะตูของฌานเนี่ยมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่กิเลสเมื่อใดที่กรรมยังไม่ให้ผลเขาก็ยังใช้ได้ผลอยู่แต่เมื่อใดกรรมให้ผลกรรมตามทันคนนั้นก็จะได้รับความทุกความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสเราถึงว่าคนที่เล่นทางคาถาอาคมเนี่ยบั้นปลายไม่ไม่ตายไม่ดีครัอยู่ไม่ดีมีไม่ถูกสักคน ทำไมเลิกแล้วไม่กลับเนื้อกลับตัวซะก่อนนะเพราะว่าไอ้ภาวนาเนี่ยมันเป็นของแรงอย่างที่ว่าถ้าคนเอาภาวนาไปใช้ในทางบาปมันก็บาปแรงแรงจริงๆาภาวนาเนี่ยเอาไปใช้ประกอบในทางบาปเนี่ยมันแรงนะเราลองคิดดูคนอย่างฮิตเลอร์ก็เป็นคนมีบุคลิกพิเศษไอ้ตรงนี้และเวลาแกฆ่าคนวางกูสโลบายนี่แรงมากจะ ต, ต้องเอาให้ได้ แกก็เลยประสบความสำเร็จในการทำบาปด้วยปกตูปณิทิยะปัจจัยของกุศลบางอย่างที่ได้สะสมไว้แต่พันภาวนาเนี่ยเป็นของแรงทำบาปที่ออกมาในรูปของภาวนาจ็เป็นของแรงตามไปด้วยแต่ตอนยังไม่ให้ผลนะก็ อ, อาจจะแลเห็นเป็นดีไปได้นั่นก็เป็นเป็นโทสะเป็นโทมนัสอันหนึ่พระเทวทัตก็มีโทมนัสอันนี้ เราะว่าสมาบัติและปัญญาเสื่อมสลายไปหมดแล้วขอให้นึกเปรียบเทียบเหมือนว่าคนลองได้ฌานเนี่ยแม้ฌานจะแตกผล ป, ปี้แม้จะไปกินเหล้าเมายานะแค่เศษหลงเหลือของมันเนี่ยยังยังเป็นของพิเศษกว่าคนไม่กินเหล้ามันเทียบเหมือนกับคนคนที่เขาเคยร่ำรวย เป็นเศรษฐีร้อยหมื่นล้านแสนล้านเนี่ยถึงเขาจะสูกฟ้องล้มละลายแค่ไอ้เศรษฐที่เขาเหลือๆอยู่เนี่ยมันก็ยังรวยกว่าคนที่ที่ไม่ใช่เป็นเศรษฐีอย่างนี้คนธรรมดาทั่วไปเจ้าลายเจ้านายยังรวยกว่ากันเยอะผมก็เคยเจอไอ้คนที่เขาประสบความล้มเหลวทางธุรกิจแล้วบอกเขาหมดแล้ ว, ไ ม, ม ไ, ลวไม่มีอะไรเหลือเขาบอกไม่มีอะไรเหลือของเขาเนี่ยนะโว้เราเห็นแล้ว เราอายุขนาดตอนนั้นยังไม่มีอย่างเขามีเลยแล้วก็ยังไม่รู้่ชั่วชีวิตเราจะมีอย่างเขามีหรือล่ะเขายังมีรถขับยังมีอะไรสารพัดตกกลามบ้านช่องก็ยังมีไอ้ทีแล้วเสร็จๆอย่างเขาเนี่ยนะขีดผงความรวยเขาเนี่ยเฮียพอเป็นทุกข์ม า, มาปลาโรกว่าเราไหมไม่เหมือนและยากจนเขาคิดตามเกณฑ์รับเราดูประเด็นที่สามกุศลเป็นปันจจัยแก่พยากตะ พอมาถึงอพยากตะนี่ประเด็นชักละเอียดมองเห็นได้ยากกว่าสองประเด็นแรกกุศลเป็นปัจจัยแก่อพยากตะคือบุญที่ทําแล้วบุคคลมาปลารบด้วยจิตที่เป็นกลางได้แก่กรณีใดบ้างกรณีที่ชัดแต่ว่าเป็นเรื่องไกลตัวเราก็คือว่าพระอระหันต์ออกจากมรรคแล้วพิจารณามะเมื่ออรหาาัตมรรคเกิดแล้วจิตหลังจากนั้น พระอรหันต์ไม่มีกุศลจิตแล้วใช่ไหมเป็นกิริยาเป็นกิริยาจิตหมดเลยเนั้นกิริยาจิตเนี่ยเป็นอัพยากตะธรรมเป็นจิตที่ไม่บุญไม่บาปเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ท่านทําบุญทำกุศลมาก่อนที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยท่านไม่ลืมท่านรู้แล้วถ้ามียานระลึกชาติก่อนได้ท่านก็ระลึกไปถึงชาติก่อนว่าท่านได้เคยทําอะไรมาจึงมาได้ดีได้ชั่วยอย่างนี้ทัานกุศลนั่งกุศลแล้วครับ แต่ในที่ในนี้ก็อาจเฉพาะกุศลออย่างพระพุทธเจ้าทรงเล่าอ่ะท่านมาได้ดีด้ดีเพราะท่านได้ทํากุศลอะไรไว้จึงมาได้บุคลิกอย่างนี้มาได้ความสุขเ็ยอย่างนี้จิตตอนระลึกถึงเป็นกิริยาแต่บุญเก่าที่ได้ทําเป็นเหตุให้ท่านได้วิบากดีเป็นกุศลและพระอรหันต์เห็นจะพูดได้ว่าทุกองค์เมื่อท่านได้บรรลุพระอรหันต์แล้วท่านจะ เป็นธรรมชาติของท่านเลยนะที่จะระลึกแล้วมักจะเอามาบอกถึงบุปกรรมเก่าอย่างในอระธานเนี่ยพูดทั้งในส่วนอากุศลวิบากและกุศลวิบากว่าได้ทำอะไรไวจึงมาได้เป็นอย่างนี้เช่นเราได้เคยพูดถึงพระอากุละและเรายกย่อ ง, องเป็นผู้มีอาพาธน้อยเราก็มารู้จะทํำบอกท่านแล้วว่าท่านได้ทำกุศลอะไรไวจึงเป็นผู้มีอาพาธน้อย พระอาหารหันต์บางองค์มีร่างกายหอมหวนกลิ่นตัวหอมมากวูง่ายทําบุญอะไรไว้ท่านมาเล่าเราถึงรู้อ๋อทาบุญอะไรไว้แล้วก็พระอาหารหันต์บางองค์ชีวิตของท่านประสบความาล้มเหลวในทางบุคลิกอันหนึ่งคือมีร่างกายเตีย้ยแคะ อย่างท่านละคุณตการปิยะเราก็มารู้ทีหลังว่าท่านได้ทำกรรมอะไรวะและทำไมจึงได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าให้เป็นเลิศในทางเป็นผู้มีเสียงไพ่ล่อนะฮะนี่ก็ในตังฑมพราลเรามีคนที่มีบุญทางเสียงไพ่ล่อเนี่ก็ถือเป็นบุญอย่างหนึ่งอย่างของท่านละคุณตการเนี่ยเรียกว่าจะเรียกว่างไงดีมันไม่ใช่รูปชั่วตัวดานังใจดี รูปไม่ดีแต่เสียงเพราะมากใครได้ฟังเสียงนี่จะต้องเกิดความศรัทธาเริ่มไใส่ใจชอบไม่ว่าจะตีค่าในทางกุศลหรือว่าตีค่าในทางสัพธรูปมันเป็นที่น่า ย, ยินดีกระถางนี่ไปถามอะไรว่าท่านเล่าอา่ผมจะไม่ไม่เล่าทีนี้นมันมันเรื่องของพอตลอดรู้สึกเขา<อ>เขาน่าจะถึงท่านหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยแล้วองค์อื่นๆทั้งบุญทั้งบาปท่านจะเล่า ซึ่งบุญบาปที่ท่านเล่าในกรณีเนี่ยหมายถึงบุญบาปในส่วนในกองที่ทําให้ท่านได้รับผลเป็นกรณีชั่วเด่นเด่นหรือดีเด่นเด่นในชาตินี้ความจริงบุญท่านทํามาเยอะแต่ที่เป็นบุคลิกเด่นของท่าของท่านเนี่ยเหมือนเราเนี่ยไอ้บุคลิกเราความเฉลยความล้มเหลวเด่นของเราในชาตินี้นะมันเกิดมาจากอะไรอันนี้บุญอื่นเราอาจจะไม่รู้ได้ อาจจะไม่น่ารู้สําหรับความรู้สึกของเราไม่เร่งด่วนแต่ว่าบุญและบาปที่น่ารู้อย่างเร่งด่วนของเราเนี่ยคือบุญบาปอย่างเด่นๆ น, นะฮะแต่ละคนมีทั้งนั้นผมเองก็มีมีบาปอย่างเด่นๆมีบุญอย่างเด่นๆท่านทุกท่านก็มีน่ารู้ครับแล้วถามว่ารู้แล้วจะรั่วมาทําไมรู้แล้วได้อะไรขึ้นมาเอาไปตอบเอาเองเถอะ เพราะเรื่องนี้ไม่ต้องให้ใครตอบเราตอบตัวเราเองได้ว่ามันมีประโยชน์ยังไงพระอรหันเนี่ยท่านจะมองความจริงไม่ใช่แค่ปะเด็นไม้ละเอียดก็ก็ดูด้วยแล้วก็จะสามารถจะมาเล่าให้ฟังได้บอาเราะอะไรก็เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่พยาคตะและข้อที่เห็นจากข้อที่ที่ข้อหนึ่งมีประเด็นย่อย พิจารณาถึงกรรมที่สั่งสมไว้ดีในการก่อนอันนี้แยกต่างจากข้อหนึ่งก็ตรงที่ว่าข้อหนึ่งวันเดียรบรรลัดแรกเนี่ยนะพอาการระลึกถึงมรรคเนี่ยหมายถึงโลกุตาลากุศลของพระอาหารหันต์อันนั้นเป็นกรณีพิเศษยกไว้เป็นกรณีพิเศษอารัตมรรนั่นเองสําหรับกรณีที่สองนั้นคือกุศ ล, ลกรรมอื่นๆแม้ทั้งหมด ที่ระลึกอย่างเป็นอนุสติแต่ที่ผมต้องเน้นตรงนี้เพราะว่าข้อหลังเนี่ยจะเป็นระลึกอย่างเป็นกรณีอื่นเป็นกรณีพิเศษระลึกอย่างเป็นอนุสติด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามที่เว้นความเป็นวิปัสนาไว้อย่างเราเราระลึกถึงก็ยังไม่ถึงขั้นไม่ได้ระลึกอย่างเป็นวิปัสนานั้นเวลาที่เราไปดูใบอนุโมทนาบัตรที่เราได้เขียนไว้ เก็บไว้พอเห็นใบโนโมธนาบารแล้วก็จะนึกถึงเหตุการณ์แลวนึกลงไปถึงกุศลจิตอันเป็นสาระของที่เราสสมไว้ทีนี้ตรงนี้นะ่ะ ถ, ถ้าเราเข้าใจตรง น, นี้หนึ่งก็จะเห็นเป็นข้อีเหมือนกันว่ามุลที่เราทำไปแล้วเนี่ยเฉพาะในชาตินี้ที่เรานึกไม่ออกมันเยอะใช่ กนึกที่จะออกไปนั่งวุ่นที่ทางไกลๆหรือวุนที่ทางเดนๆายละเอียดอื่ืๆมันวุีนึกไอ่อก็เลย้องใ้ีั่วมั่วว่าบุนอื่นๆที่ไม่ออกวันี้มันบอกนึกม่ออกเราก็เกลือไว้คือถึงจะไม่เข้ามาในสายของอารมาปัจจัยก็ข้อนึกอย่างใช้พลาความนึกนันเป็นปกติแล้เข้ามาในสายนี้บ่า ปล่อยบาหรือบาหรือกรมมาปัจจัยเนี่ยไม่จําเป็นต้องเข้ามาในสายของอารมณ์แต่อารมณ์ึ่งเป็นตัวจูงตัวกตุ้นตัวเสริมกนารนให้บุญผู้ตังค์ได้ส่วนหนึ่งที่ถ้ามุญเราทําแล้วเราลืมไปเนี่ยเท่ากับเรามีอายุ ข, ของอัปปะเจตนาจบอยู่แค่นะั้นจริงไห ม, มดีถ้าเมื่อบุญใดบุญหนึ่งที่เราทําทํำแล้วลืมเลยเนี่ยอัปปะเจตนาหมด แต่ถ้าเราไม่ลืมน่ะพระเจ้านามก็ยัง อ, อยู่ทนี้อาพระเจ้านามนทีมันก้าวกระหนดนคือเมื่อเรามาฝึ ก, กจิตจนทั่งเราได้การลเล่นยันกับคือได้อาภิญญาเราก็สามารถที่จะไประลึกๆถึงคุโสตกรรมที่เราได้สั่ไว้แต่ชาติปางก่อนบางอย่างนี่ก็เป็นบุญแรงเราลืมไปแล้วมันหมดเลยนะอาจจะเคยไปใสบ่บาตรกพระอาลัยหันไว้เอประเจกไว้ แล้วเราลกไปออกก็หมดแค่น่ะแต่ถ้าเราเราลึกออกเนี่ยเราจะฝึ้นสิ่งดีๆพลังดีๆที่เราได้ทำมาให้เป็นรอยยุบในอร拉เจธนาแก็โปรโ่ขึ้นมาไดีกอันนี้ก็จะได้ด้วยการทำสมาธิที่เวลาที่เราทามสมาธิใหนดีให้มูลเก่าๆที่เราทำทำแล้วลืมก็โผล่ขึ้นมาให้เราได้แบบได้ชื่นใจได้เป็นอารมณ์แล้วม่ได้เป็นอารมณ์ก็มุนเรานั้นไมมีโอกาสจะ ให้คนได้อีเราพลังบุรเหลนั้นมาใช้เป็นประโยชน์ดได้อีกโดยวิธีการนั้นหลากหลายมากมายในการสอนแต่นี้มันมีกรณีที่ราหลานทันระลึกถึงมุญที่ท่านได้ทำแล้วอย่างเป็นอนิจังของนารตาก็คือกาหนดกุศลและจิตกุศลและธรรม ของท่านที่ได้ถามแล้วโดยความเป็นอนิจจังทุกครั้งหนาา้าตาตรงนี้่าสุดยอดเลยคนระับจะเรียกว่าเป็นอนุสติจากสีดิติสจอมุญานสติอด้วยแล้วก็เติมลักษณะพิเศษลงไปับบุนนั้นในขนา้นอวารเจรนาด้วยคือเติม ที่วิปสัสสนาปัญญาลางไปด้วยถีาเราเตตรง น, น, นี้ลงไปเนี่ยมันดีคีเสษยอย่างไรลงไหนคาตอบก็คือ ว, ว่าถ้าเราเติม ไ, ไอ้การจังทุังตาลงไปเนี่ยเป็นการล้อมัแม่อากุศลเข้ามาสายเกิดได้อย่างเชี่ยขาดที่สุดเลยถ้าเราด um ดูนะ เมื่อไรเราทําบุญเรารู้ว่าบุญมีบุญมากมันจะส่งผลเป็นนักสนิอย่างนี้อย่างนี้แต่บุญก็เป็นนามเป็นลูกเป็นของไม่เพียืนเกิดตามเหตุตามปัจจัยเราเมื่อเคยวิบากวิบากก็มีอายุจํากัดตัวเราก็ตัวก็มีอายุจกัดเป็นของมีชั่วกลางไม่ยั่งยืนเอาเป็นฐานะไม่ได้ถามว่ามานะเกิดนะ เราเคยด่งไมไม่ไม่อยากเด่งเหรอเหี่ยวเลยทีนี้คือลำล้มเลยยึดถือไหมไม่อยากเยึดไม่อยากจะไปถึงสาจริงหรืจังแล้วพอถ้าเกิดว่าไอคนที่เราทําบุญด้วยเกิดไม่เป็นไม่อย่างใจบุญ น, นั้นเกิดจะตรงผลช้ากรดไหมไม่กรดก็ตรงคนช้านีมืนจะได้จะได้สนับใช้า ไม่ใชอายุไปผลไปนั่นก็มีทางที่จะคิดไปได้นะแต่เราก็ไม่เป็นหมายมั่นในผลโอ้สุดเนี่ยการพิจารณาอย่างนี้เราได้ปัญญาหรือปัญญาชั้นดีด้วยนะแล้วก็กั้นดีเลียงด้วยคือทําให้บุญนี้ถึงความบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราทําบุญอื่นแล้วก็ปรุงอย่างสูงก็คือปรุงอย่างเป็นวิจารณา ทานพึ่งให้เติมเชื่อมมิพรสนาลงไปได้การคิเดเหตุได้ปัญญาทั้นสูงแปะลงไปกับบุญญาทั้นต่ำกว่าและเมื่อบุคคลมีปัษนาอยู่แล้วเมื่อคอมีปรนาแล้วไม่ใช่แค่ดิปัสนาขั้นนื้อให้ึกมันเป็นปรโยชน์ขั้นรูปฐานดีควรทาเรากำหอดจิตเนเป็นมิปนากว่าขน า, าที่เราให้ขาน กมหมาหนดอาน้จังกำหนดนาลูกไปด้วยกับทานกลายเป็นสองอย่างเลยครับทานมัมวิปัสสนาตามบุสูงมากพิเศษมากเพราะฉะนั้นผู้วิปัสสนาเขาเลยงกันด้วยหลักวิปัสสนาบุญในเร่องธรรมอย่างค่อยวัสนาเนี่ยถแม้ทำไรนะให้กำหนดิให้เป็นวิปัสนาโดยโดยเฉพาะอย่างยี่ไอ้จุดทุเรี่วต่อ ตอนนี้ะอะไรที่มันจุดสำคัญนะครับให้พิจารณาและโดยรวบยอดก็คือให้สิงความสืบนื่ออันนี้ไว้ในบุญทุกอย่างว่าเป็นของไม่เทียนอย่างนีง้ถือแม่ให้ภูสมก็ในตนี้ถือเพราะความเป็นไรลักษณ์นี่ทุกอย่างเป็นแต่นามูกเป็นไปตามเหตุปัจจัยนามลูกอย่างนี้ควนาำให้เกิดทนานเราเป็นหามลูกนี้เป็นประโยช์เกื้อกูลแต่นามลูกในชาลังหลังยิ่งกว่า ล้วควรจะเกิด อ, อาการสลบใช่ไนมะนี่เรียกว่าสลบสลบในบุญสลบในสิ่งที่คนอื่นก็ตื่นเต้นเป็นหนวอย่างใหญ่อยู่นะมันมีผลทำอย่างใจแรมากคนที่ลุกขึ้นมาี้จังรู้เวลาปรงเนี่ยมักจะมาปรุงตอนที่มันผิดลล ก, ก, ลนนกลาดเรื่องผสกผสมเนีนะเรื่องใดๆทีเสียรลบบแต่ถ้าคนเรงปลงแม้แต่กับบุญ เพอใจนับโอปัสเสดอย่าหาที่เปลียนได้ยากแล้ที่นี้ถ้าที่สายลาหลานเนี่ยอ่า น, นจากสัญญาทุกขารั ญ, ญา่างตัดสัญญานั้นฝังความสํานึกของท่านอยู่เสมอไม่มีอะไรที่ท่านจะไม่แทรกปอนอะไรนี้นาไปไม่เห็นเลยความเป็นอย่างนี้และต่อมาในข้อเดียวกันอีกประเด็นหนึ่งก็คือลาหลานรู้จิตของท่านผู้มีความพร้อมเปลี่ยน เจื่อค no, ุณตระเจโตปริยาเจโตปริยยาเป็นของใครของพระอรหันต์กุศลจิตเป็นของใครเป็นของคนอื่นอาจจะเป็นรายะอื่นหรือเป็นภูติชนอื่นแต่ท่านหลวงฤทธิฤทธิ์ฤทธิ์กุศจิตแต่ในมืจะเดนเจโตเจโตนั้นเป็นอายตัการนําเวลาที่พระคุณเจ้าคุณตนแสดงธรรมท่านจะดูจิตของบุคคล ว่าจิตเสี่ยววัยอีแก่อยังก็คือว่าคุศลจิตของบุคคลนั้นีถือระยะการฟักตัวพอที่จะกร ะ, ะทุ้มกระปอกไข่ออกมาสู่ความรักษาดได้หรือไม่ท่านกจะดูดูลึกทั้งลึกทั้งข่าโรกามจากทั้งชาตินี้และทั้งขนาดเฉพาะหน้าขนาดเจ้าพ่หน้าหลวงเจ้าจะดูเสมอทุกขั้นไปทุกคนไปว่าจิตเจ้าพอหน้า ของคนเป็นอย่างไรบองคนก็มีมานะจัดมากลาหลันมะฮงพระผู้ที่เจ้ากระสงรู้ก็สงรู้ว่าถ้าทำมานะให้ตกผู้สอนลึกจิงก็จะเข้ามาแทนที่อย่างแรเหมือนกันรูปข้อสองพเะเสขาหรือวูริยมก็ถามพิจารณาเห็นหแจ้ ง, งขงึ้นผู้สมนด้วยความเป็ของไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนาถา กุศลดับไปตถาละพนะจิตอันเป็นวิบากย่อมเกิดขึ้นอนนันต้นอยากสำหรับคนที่ไม่คุณธรัมคือผู้ทุชนหรือพระเทขาจเวลาเกิดจิตนึ่ถึงนกุศลจิตขึ้นมามันก็มีทั้งเวลาชวานาเกิดเป็นบุญหรือเป็นบาปใช่ไหมแต่พอมาถึงตถาลาะาลนะตถาระพนะนั้นรวมอารมณ์เพื่อ น, นไปสู่ความหัก ตถาภนะถ้าเกิดในวิถีจิตที่รับผู้สนเป็นอารมณ์ตถาภนะก็มีผู้สนเป็นอารมณ์ด้วยตถาภนะเป็นอริยากถาธรรมอันนี้เป็นจิตนอกความนึกค่ะมองไม่เห็นก็ความใจเป็นทฤษฎีนะ่อก็ต้องนึกแบบเป็นทฤษฎีก็คือว่าเวลาที่เราจะเข้าสู่ความหลับเนี่ยเราเราเลืกถึงผู้สนนะแล้วก็อย่างเรียว่าเรา ไปทอดตะกินทําือแรงๆมาในวันนั้นเปลี่ยกลับบ้านอาบน้ำอาซาจีเตาจีาปลาลุ่มตัวลงนอนจะนอนเรารุ่มเราจะนอนและใจก็ฉุกคิดไปถึงธุนที่เาทำาในวันนี้ก็ค่อยๆโน้มเขียไปสู่ความหลับในตาทามนะก็จะเป็นตัวนึกนึกแล้วก็นําไปสู่ความหลับตาทามแปลว่าหน่วงอารมณ์ให้ลดความแรงความชักเพื่อเข้าไปสู่ความหลัก ให้ก็มมองให้เป็นอวัยวะร่างาจิตแต่ตอนหลับเนี่ยก็เป็นอวัยวะร่างกาจิตต้งแต่ว่าไม่ได้ น, นึกถึงกุศลตอนที่จิตตื่นเพราะว่าจิตหลับก็มีเารมณ์ของเอาอยู่ข้อสามมุขคนยินดีเกลินเพลิพนซึ่งกุศลกลางโลกกุศลกาคะาพิจิตีดชตอนนี้จะมีที่อาคุศสเลชาวนะเกิดแต่พอมาถึงตาทางแล้วนะ ก็เป็นอายาปะตามั้คันหนึกนี้ได้นะว่าพิธีขิดนึกถึงกุศลแล้วมาถึงชาวนาจะเป็นกุศลต้อมีเป็นกุศลต้องมีแต่พอลงมาถึงตาลามนาแล้วเป็นกลางพราะนัาลาพนาเนี่ยชาวนะจะเป็นบุญหรือเป็นบาสนึกถึงกุศลแล้วก็วมันเองก็นึกถึงกุศลมั้งกันแล้วมันก็ไม่บูญไม่บาปตามไปด้วยเพราะมันเป็นตัวหน่วงนําไปสู่ความหลับเป็นวิบากที่ ต่อทามนานจะมีบาปจิตแต่ตรงนี้อยากสําหรับคนใหม่ที่ทำนะครับต่อไปข้อสี่อากิญญาทานะเป็นปัจจัยแยก่หากิญญาณจะยจตนาบิบากหนกิเลสแล้วก็ข้อ า, าอาด้วยอากิญญาทานะกุศลเป็นปัจจัยแก่ในวาทะานาสัญญาเจตนาบิบากในกิยา